ช่งท้ทายมันจะเป็นคำถามนะครัเขาเจริญพรทท่านนะถึงแม้ว่าทุกท่านก็รู้ว่าวันนี้จะมาฟังธรรมแต่หน้าตาก็ดูแจ่มใสยิ้มแจ่มผมก็ว่าเมื่อวานนี้ได้ไปเที่ยวงานลอกระทงกันแนะชมชื่นบบบาลล้วก็ตรงนี้เราก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมที่สืบเนื่องมาจากการความเชื่อเรื่องการลอยทุกงลอยโศก เพื่อให้มันมนละลายหายไปกับกระแสน้ำแล้วก็ควบคู่กับการอขออภัยแม่น้ำคงคาด้วยเจ้าแม่คงคาหรือพระแม่คงคาที่เราเรียกกันก็เป็นการ้อยบาทไปด้วยในตัวนะ้อยบาท ก, ก็คือว่าเป็นการขอขอมาเพระโสก ลอยทั้งบาปลอยทั้งทุกโศกเพื่อที่เราได้กลับมาเริ่มต้นใหม่ที่คล้ายๆกับวันปีใหม่นั่นแหละเนพราะว่านปีใหม่เราก็เป็นประเพณีเพื่อที่เราจะได้ปล่อยวางหรือว่าชำระละ้างความทุกข์ความโศกในปีที่ผ่านมาให้มัน เลื่อนหายไปนะเพื่อที่เราจะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่เรามีประเพณีอย่างนี้เพื่ออะไรนะไม่ว่าเรากระทงก็ดีหรือว่าวันปีใหม่ก็ดีก็เพื่อว่าเราจะได้มีความหวังว่าจะได้พบ ก, กับความสุขนะเพราะว่าความสุขเนี่ยมันเป็นที่ปรารถนาของทุกคนนะของทุกชีวิตคล้ายๆก็อยากมีความสุข จากคนนี้เนี่ยความสุขที่เราสแสวงหาเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแคนส่วนใหญ่ก็คิดว่าความสุขมันจะหาได้เนี่ยมันต้องมองไปข้างนอกต้องหาเงินหาทองให้มากให้ได้เยอะๆต้องมีรถยนต์ต้องมีบ้าน ต้องมีแก้วแหวนเงินทองรวมทั้งมีคู่ครองนะอันนี้เป็นความเข้าใจคนส่วนใหญ่นะว่าจะมีสิ่งเหล่านี้แหละถ้ามีสิ่งเหล่านี้แหละถึงจะมีความสุขได้แล้วก็ต้องมีมากๆด้วย มีรถคันเดียวไม่พอต้องมีหลายคันมีบ้านหลังเล็กไม่ได้ต้องมีบ้านหลังใหญ่แล้วก็มีหลายหลังถ้ามีกำลังแตนนี่เป็นความฝ่ฝันแต่จริงๆแล้วเนี่ยความสุขมันอยู่ที่นั่นจริงหรือหลายคน ได้สิ่งเหล่านี้มาแต่ก็ไม่มีความสุขหลายคนอยากจะได้โชคได้ลาบแต่ได้มาแล้วก็มีความสุขประเดี๋ยวประดาวก็ เ, เคยมีการสอบถามคนที่ถูกลอตเตอรี่ไม่ว่าสลากกินรวบสลากกินแบงอันนี้ไม่ใช่เมืองไทยนะเมืองนอก นับพันคนเพรมึงนอกเนี่ยมันมีมันมีลอตเตอรี่มันมีมัน ม, ม, นมีพวกสากลแบงบสากลรวบนี่เยอะมากนะของบ้านเรามันที่ถูกกฎหมายก็มีแค่ไม่กี่แห่งแต่ของเมืองนอกที่ถูกกฎหมายนี่มีเยอะนะแล้วก็รางวัลก็แตกกันเยอะๆนะเป็นร้อยเป็นร้อยร้อยล้านบาทก็มนะีเป็นพันล้านบาทก็มี เราพบว่าคนที่ได้รางวัลที่หนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่เก้าบหรือเกือบร้อเซนตี่ยมีความสุขในช่วงหเดือนแรกที่ถูกรางวัลหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอผ่านหเดือนไปแล้วเนี่ยความสุขที่เคยพุ่งมนันก็ค่อยลดลงลดล ง, ลดลงจนกระทั่งเท่าเดิมเหมือนเท่าเดิมเหมือนก่อนวันที่จะได้รางวัลหรือถูกลอตเตอรี่ แม้ความสูงก็เป็นอย่างเนี้ยขึ้นมาแล้วมันก็ลงมันขึ้นเร็วก็จริงนะแต่มันก็ลงเร็วนะแต่บางคนทุกกว่านั้นนะบางคนทุกกว่านั้นนะเมื่อหลายปีก่อนก็มีข่าวภาคของข่าวไทยรัฐพ่อค้าเล่ถูกหวยเมียถูกหวยถูกรางัลที่หนึ่งหลายใบยได้เงินยี่สิบล้าน โอ้ดีใจที่ิบ้านนี่มันอยู่ได้หลายชาตินะ <c oughs> เดือนหนึ่งต่อมาบอกกว่าขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐอีกตัวใหญ่เลยข้อค้าเล่ถูกหวยสิบ้านซดนยาคิดหนีทุกขลาซดนยากคิดไอยา น, น้ำยาขัดพื้นะนะค่าตัวตายแต่ว่าลูกสาวช่วยได้จะเครียด น, นะ ไอ้ถูลอตเตรีนี่ไม่ใช่ว่าดีนะเครียดเครียดเพราะอะไรอ่ะจ๊ไม่รู้จะใช้เงินยังไงไม่รู้จะแบ่งเงินยังไงแล้วเครียดเพราะทื่มาคือมีคนมามารุมาตุ้มมาขออ้างเป็นเพื่อนอ้างเป็นญาติสารพัดแกก็ให้นะแต่ให้มืน่นเขาไม่พอใจเขาอยากได้แสนโอแกได้ยี่สิบล้านนะให้ฉันแค่สองสามหมื่นเองมันจะกยุติดทำที่ไหน ไม่พอใจแล้วทำไงก็โทรมาขู่ขู่ฆ่าจะาฆ่าเมียจะฆ่าตัวเขาเบาเครียดมากไม่รู้อยู่ไปทำไมฆ่าตัวตายดีกว่าแต่ว่าเมียลูกสาวช่วยไม่ได้ลูกสาวก็ไม่ให้ลูกสาวผู้สื่อข่าวเนี่ยไทยัสก็มาสัมภาษณ์ที่โรงพยาบาลว่า ถามของหสือว่าทำไมาถึงฆ่าตนตายแต่แกก็เล่าเหตุผลอย่างเงี้ยที่ว่ามาแล้วแกบอกว่าประโยชน์ถบอกว่าตอนเป็นพ่อค้าเร่เนี่ยหาเช้ะหาหาเช้ากินค่ำเนี่ยมีความสุขกว่าเป็นไหนไหนมีความสุขกว่าเป็นไหนไหนคือถูกลอตเตอรี่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่มีความสุขแล้วมันทูกข์กว่าเดิมเมือ่อสองสามปีก่อนเนี่ย <S <S 2> <S 2> เพื่อจะมาคนหนึ่งเปลี่ยนเป็นนักเล่นคุณ แกเป็นนักเล่นหุ้นทเก่งนะแล้วแกก็ไปตลาดหุ้นเนี่ยก็ไปเจอคุณป้าคนหนึ่งพูดไปคุยมาคุณป้าบอกว่าแกเพิ่งขายหุ้นไปเมื่อสองสมวันก่อนได้กําไรสิบล้านบาทสิบล้านบาทนะผู้ชาานี่แกก็เลยบอกคุณป้าว่าขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณป้าคุณป้าตอบว่ายินดีอะไรกันล่ะ ถ้าฉันขายหุ้นวันนี้เนี่ยฉันได้กําไรแล้ว20ล้านแกไม่มีความสุขนะที่ได้10ล้านเป็นเรานี่แค่10เปอร์เ็นต์ก็พอนะล้านมังก็พอนะแกไม่มีความสุขฮนะวันรุ่งขึ้นแกไม่มาที่ตลาดหุ้นเหมือนเคยก็แกมาทุกวันเพื่อนคนนี้ก็เลยไปถามพื้นป้าถามมาร์เก็ตติ้งพวกในหน้าเนี่นะ โรลงเกอระว่าุป้าหายไปไหนเพรเขาคุ้นเคยกันได้ทราบว่าคุณป้าเข้าโรงพยาบาลแล้ว็พออะไรฮะเครียดเครียดที่ได้สิบล้านแค่นั้นเองไม่เห็นไหมคือถึงแม้เราได้โชคได้ลาบก็ไม่ได้แปลว่าเรามีความสุขความสุขยึดแต่ความสุที่ใจความสุขเท่าอยู่ที่ใจเนี่ยหรืออยู่ที่การวางใจเป็นถ้าเราวางใจเป็นแม้เราจะไม่อย่าว่าแต่ได้โชคได้ลาบเลย เวลาเราเจอความทุกข์เราก็ไม่ทุกข์ด้วยก็อย่ยิ้มย้มแจ่มใสเนี่ยก็มีนะอมตมาไม่รู้คราวที่แล้วเคยไล่ฟังหรือเปล่าเด็กอายุสิบสี่นะเกเป็นบเร็งสมองนะผมร่วงหมดเลยเพราะฉายแสงแล้วเคมีโอบรรเงสมองนี่มันถึงตายนะวันนึงเจตอาสาเจตอาสานี่ก็มาจากกา ร, รงอบรมของอมตะมา ลมเสร็จก็ไปให้ไปทดลองไปเยี่ยมคนไข้ดูก็เห็นเด็กคนนี้ยิ้มแ ย, ย้มแจ่มใสพูดคุยเป็นปกติแถมยังชวนเธอวาดรูปเด็กคนที่ชอบวาดรูปจินอาสาวก็แปลกใจทำไมมีอารมณ์มาวาดรูปนะเป็นมันเลงไงนะีม่มีอารมณ์วาดรูปอีกแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเบิก บ, บานคุยไปคุมาทุกวอนหนูโชคดี ที่ไม่ได้เป็นมะเร็งว่นลูกมียากติเป็นมะเร็งว่นลูกโกรมากเลยหูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองรนูเซ่หนโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองเป็นมะเร็งสมองแต่ว่าเธอยิ่มแย่แต้มใสตรงข้ามกับบางคนที่สวยไม่เจ็บไม่ป่วยแต่แค่มีสิวผิวแห้งผมแต่งปลายว่าโอ๊ยจะ ต, ตายไม่ได้ฮนะผมไม่ผมไม่ได้อยู่ที่ มันไม่อยู่ที่หน้าตาไม่อยู่ที่สิวไม่เสียวอยู่ที่ใจฮะใช่ไหมมีคนหนึ่งหนังนะชื่อเคก้กพวกเราจะเคยได้ยินนะเค้กเนี่ยเด็กอายุยี่สิบเจ็ดเป็นเป็นเคยเป็นดาวเาหาเชยไรสวยหน้าตาสวยมากเลยวันหนึ่งแกก็ไปเล่นอินเทอร์เนต็ตก็ไปเจอไปรู้จักผู้ชายคนหนึ่งก็ถูกคอกันดีก็เลยนัดเจอกันผู้ชายในยแก แกเห็นก็หลงรักแต่ผู้หญิงก็ค้นเป็นเพื่อนผู้ชายทำมีท่าไหนไม่รู้พอรู้ว่าเธอไม่ได้ปรงใจรักด้วยโกรธนะเอาน้ำกรดสาดหน้าเสียโฉมทั้งหน้าเลยนะมีน้าซักตาที่เสียไปข้างหนงเด็กซึ่งอยู่ปีสามซึ่งมีอนาคตนะหน้าตาสาวสวยจบไปแล้วเนี่ยไปเป็นพริตตี้ก็ไม่ยากใช่ไหม หรือว่าไปไ ป, ไปทำงานที่ไหนก็ก็ก็เรียกว่าไปไกลเพราะหน้าตาดีก็ช่วยได้เยอะแหละแล้วก็จบปริญญาสำหรับเธอคือหมดอนาคตอับอายขายหน้าไปที่ไหนเนี่ยคนก็เบือนห น, นีเพราะเห็นหน้าแล้วมันเหมือนกับคือมันน่ากลัวนะเคยคิดฆ่าตัวตายแต่ว่าคิดถึงแม่ เป็นห่วงแม่เพราะมีแม่คนเดียวพ่อที่ไม่ทราบไปไหนก็เลยอดกลั้นไม่ค่าตัวตายแต่ว่าต้องย้ายบ้านนะเพราะว่าทนไม่ได้ที่เห็นคือไม่อยากจะให้ใครรู้จักอ่ะเพราะว่าคนเพื่อนบ้านนี่เคยรู้จักก็เคยชมว่าเกินสวยแต่ตอนนี้เพื่นบ้านไม่อยากเจอเห็นตอนกงคืนแล้วเนี่ยผวาย้ายบ้านหนีเลยไปที่ที่ไม่ไม่มีใครรู้จักแต่ผ่านไปสี่ห้าปีเนี่ยตอนนี้เธอ 50, อายุยี่สิบห้าก็ชิบเธอ ความที่เธอเปลี่ยนชีวิตเธอเปลี่ยนที่เคยคิดว่าไม่มีอนาคตเปล่าก็ยังมีอนาคตก็ยังไปทำงานเป็นพนักงาน call center นแล้วก็มีมีความสุขกับการทำงานมีเพื่อนรุ่งนานที่ดีเจ้านายที่ดีมีคนถามเธอว่ารโกรธแค้น ผู้ชายคนที่สารน้ำกรดใส่เธอไหมเธอตอบว่าไงทราบไหครับผมไม่โกรธเลยขอบคุณเธาได้ซ้ำที่ทำให้ฉันมามีวันนี้เพราะว่าการที่เธอเจอเหตุการณ์นีน้ทำให้เธอบอกว่ามันทำให้เธอเนี่ยได้ได้มีเวลาอยู่ใกล้ชิด ก, กั บ, ก, บกับแม่มากขึ้นเพราะว่าถ้าเธอสวยเนี่ยก็คงจะคงจะเที่ยวคงจะ เพิเลินไปกับการออกนอกบ้านแต่นี่เธออยู่บ้านมากขึ้นได้ชินแมรมากขึ้นเสื้อมเสื้อมานคือบอกว่าเธอมีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเป็นผู้ใหญ่ยังไงเธอบอกว่าอย่างเนี้ยในหน้าต่างเธอเนี่ยตอนนี้เธอปล่อยวางแนละ้วเธอบอกว่ามาได้คิดว่าคนเราเนี่ย ไอ้ความเสื่อมความโรยราของสังขาเนี่ยถ้าไม่เจอวันนี้ก็ต้องเจอวันหน้าแต่มาเจอวันนี้ก็ดีนะมันจะได้ปล่อยวางได้เร็วแล้วก็เธอบอกว่ารับหลังจากที่เจอเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ยเมื่อเจอเหตุอย่างอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยไปซะแล้วปล่อยวางได้เพราะว่าได้เจอเรื่องที่หนักอย่างนี้มาแล้ว ใครจะมาพูดอะไรกับเธอเธอไม่กลัวไม่ไม่โ ม, มโหใครจะมาดินทางเธอไม่ไม่รู้สึกบอะไรนะเธอเรียกว่าเธออยากจะขอบคุณคนที่ส า, ารน้ำปลดใส่เธออันนี้เห็นไหมคคือคนเราเนี่ยสุขหรือทุกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่เราเจออะไรเราเจอของดีได้โชคได้ลาภแต่ทุก็มีแต่เราเจอความสูญเสีย เราเจอความเก็บความป่วยแต่เราไม่ทุบ ก, ก็ได้ใช่ไหมมันอยู่ที่ใจอยู่ที่การวางใจนะบางคนเนี่ยนะเป็นเศรษฐีเศรษฐีนีโดยโกลไปหกสิบล้านหกสิบล้านนะโอยเสียศูนย์เสียใจไม่ใึงเสียศูนย์แต่เสียใจแต่ว่าหลังจากเสียใจได้สักสามสี่วันเธอก็ กลับมาเป็นปกติยิ้มย้มแจ่มใสได้เพื่อนก็ถามว่าทาไมยิ้มแยามได้สามีเธอยังยังเศร้าอยู่เลยยังกลุ่มอยู่เลยเธอบอกว่าก็มกคิดได้ว่าตัวันนี้ก็ยังมียังได้มีอาหารอร่อยอร่อยกินยังอยู่บ้านหลับนอนสบายๆเพราะบ้านเธอเป็นคฤหาสน์ คิดได้แบบนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะทุกไปทําไมเพราะว่าเงินที่หายไปเนี่ยทุกกลมไปมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเธอเปลี่ยนแปลงเลยมันไม่ได้ทําให้ชีวิตเธอแย่ลงเลยแล้วจะทุกไปทําไมแต่ความสูงเธอนะแต่มาคิดว่าส่วนหนงพ่อเองหกสิบล้านเปนแค่ตัวเลขอันนี้เห็นไหมว่าคนเราเนี่ยจะสุขหรือทุกข์เนี่ยมีที่ใจจริ ง, รงนะไม่ว่ามีอะไรมากระทบกับเรา จะเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเราก็มีความสุขได้คือถ้าระวังใจถูกนะอยู่ที่ไหนก็มีสุขอยู่ทุกที่ก็มีสุขอยู่บ้านก็มีความสุขทำงานก็มีความสุขสุขกับงานสุขได้นะเจ้าจาวุทธะบอกว่าสุขแท้ไม่อยู่แต่ในงาน ัถ้าเราทํางานแล้วมีความทุกนทํางานแล้มีความทุกเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปโทษงานนะบางคนบอกว่าโอ้งานหนักงานหนักแต่ที่จริงมันเป็นเพราะเราวางใจไม่ถูกมากกว่าบางคนทุกข์เพราะว่าเพื่อนร่วมงานกินแรงทําให้เราไม่ได้เที่ยววันลอยกระทงใช่ไหม ก็ไปเที่ยวเรากระทงแล้วเนี่ยทิ้งงานที่เราทำใช่ไหมหรือปีใหม่เนี่ยบางคนมาโอบฉันเอาอีกแล้วต้องมาต้องมาเข้าเวรไม่ได้เที่ยววันสิ้นปีเพื่อนๆได้เที่ยวกันนะไม่เป็นธรรมไม่ยุติธรรมแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ปัญหาไ ม, ไ, มไม่ได้อยู่ที่เพื่อนไม่ได้อยู่ที่งานมากเท่ากับอยู่ที่ใจเรา แล้วว่าเราะวังใจไปหรือเปล่ามีเด็กสามคนเนี่ยเขามีภา ร, รกิจนะก็คือคนของคื้นรถไฟเป็นรายการเรีลลิี้โชว์นะคือเขาก็ดูว่าเด็กสามคนเนี่ยเขาจะแก้ปัญหายัางไงเป็นรายการของช่อง PBS เมื่อสองปีก่อนให้ทำหลายอย่าง งานนี้ก็คือขนของขึ้นรถไฟรถไฟมันก็มีเวลาออกที่แน่นอนเพราะยังต้องรีบขนปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยไม่รู้โชคดีโชคเายสมจิตจงจงหอขึ้นชกขึ้นจากชนาสมจิตถ่ายทอดสดเพื่อนเด็กผู้ชายสองคนก็ทิ้งงานไปไปดูโทรทัศน์ก็เหลือแต่เด็กผู้หญิง ขนของคนเดียวแต่เด็กเขาก็ขนของอย่างตั้งใจนะพิธีกรก็เลยไปถามว่าหนูชวิตยังไงที่เพื่อนเขาขนเขาทิ้งงานไปดูสมจิตโชคมวยเขอก็บอกว่าก็เห็นใจเขานะเพราะว่าเขาเป็นแฟนสมจิตนานๆจะได้ดูสมจิตขึ้นชบหนูก็ไม่ได้สนใจสมจิตหนูก็ทำงานของหนูไปพิธีกรก็ยังไม่ตอบยังไม่พอใจคาถามก็เลยถามยายว่า แล้วหนูไม่โกรธไม่คิดจะด่าว่าเขาเหรอที่ทิ้งงานให้หนูทําคนเดียวก็ตอบดีนะตอบว่ารูู้คนของขึ้นรถไฟหนูก็เหนื่อยอย่างเดียวถ้าหนูไปไปโกรธไปด่าว่าเขาด้วยหนูก็เหนื่อยสองอย่างใช่ไหมถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะเหนื่อยกี่อย่างนะทําไ ป, ไปด่าไปทําไปด่าไปแต่เธอเนี่ยรู้ว่าถ้าทําไปด่าไปเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยทั้งกายหนื่ทั้งใจคนฉลาดนี่เหนื่อยอย่างเดียว ก็คือว่าเหนื่อยเหนื่อยกายคือขนของแต่ใจไม่เหนื่อยเพราะใจมีสมาธิกับนานใจไม่เป็นผลไปด่าว่าใครไม่เปรียบเทียบกับใครคนเราถ้าคนเราฉลาด น, นะเราต้องไม่ไม่หาทุกมาใส่ตัวเราให้เพิ่มขึ้นคนฉลาดเนี่ยเวลาเงินหายนะหายแต่เงินนะแต่ใจไม่หาย เวลาเสียโทรศัพท์นะเสียแต่โทรศัพท์แต่ว่าไม่เสียใจนะเพราะถ้าจะเสียก็ต้องเสียอย่างเดียวคนฉลาดไม่ยอมเสียสองอย่างใช่ไหมถ้าเราเสียสองอย่างคือเสียเสียเงินด้วยเสียใจด้วยนี่เราไม่ฉลาดแล้วเพราะเรากำลังซ้าเติมตัวเองเงินหายอาจจะพรคน่อไปแต่ถ้าเสียใจเนี่ยมันเป็นที่เราละ มีผู้หญคนหนึ่งอายุรับไล่กับพวกพวกคุณเนี่ยนะเขียนมถาถามทำมาท่านเป็นไงดีเนี่ยหนูให้เงินคนเขายืมไปจนป่านนี้เขายังไม่คืนหนูเลยหนูกลุ้มมากเลยนะสวดมนว่าเมื่อไหร่เขาจะคืนเงินให้หนูตรวันนี้หนูไม่เป็นอันทํางานเลยอาจารย์ก็ตอบไปว่าอันที่หนึ่งนะ เขาจะคืนให้หรือไม่ไม่ให้เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าจะคืนให้ก็ได้ในวันข้างหน้าแต่ว่าเราเราวิตกไปเองว่าเขาจะไม่คืนให้ใช่ไหมอันที่หนึ่งเรคือเราปรุงแต่งเนี่ยว่าเขาจะไม่คืนเราเราก็เลยทุกอันที่สองถึงแม้ว่าเขาไม่คืนให้เนี่ยก็ให้มันศูนย์แต่เงินแต่ว่าใจอย่าไปเสียด้วยเสียเงินแล้วเสียใจนี่มันมันซ้ําเติมตัวเองนะ ถ้าจะเสียเสียอย่างเดียวรือเสียเงินแต่ว่าใจไม่เสียเพราะถ้าเราเสียใจแล้วเนี่ยเราก็คือเราเสียความสุขแลวพอเราพอเรากร่วงกับกุ้มใจใช่ไหงานการเราก็ทำได้ไม่ดีไม่มีสมาธิกับงานเสียงานอีกแล้วพอเสียใจมากๆใช่ไสุขภาพก็ไม่ดีนอนไม่หลับ เสียสุขภาพอีกจะเริ่มจากเสียเงินนะถ้าวางใจไม่เป็นนะเสียใจเสียงานเสียสุขภาพพราะที่เสียความสัมพันธ์ด้วยเพราะเขาเครียดมากใช่ไหมไม่อยากพุยกับแม่แลนะโมโหใส่แม่ไม่มีอารมณ์คุยกับเพื่อนเสียความสัมพันธ์อีกนะเสียเงินเนี่ยเขาโกงเรามาสมมติเขาโกงนะไต่ห้าอย่างเนี่ยเสียใจ เสียสุขเสียการงานเสียสุขภาพเสียความ 3, 000, สัมพันธ์เสียเพื่อนเนี่ยใครทํำฮะเราเองเท้านั้นแหละคนฉลาดเนี่ยเขาเสียอย่างเดียวนะแต่ถ้าไม่ฉลาดนะวางใจให้เป็นนะเสียต้องสามสี่อย่างใช่ไหมนี่เราคนนี่ต้องเราต้องต้องฉลาดนะในการที่จะวางใจให้เป็นถ้าเราวางใจให้เป็นนะเออเสียเงินนะเราได้ความรู้ ได้ประสบการณ์ว่าเออคนอย่างนี้นี่เขาไม่น่าคบนะถือว่าซื้อซื้อบทเรียนเพราะถ้าเราถ้าเราถ้าเราไม่รู้จักเขาดีเราจะเสียมากกว่านี้นี่เรารู้แล้วว่าเขาเป็นคนที่ไม่น่าคบก็เสียไปแค่หนึ่งพันหนึ่งหมื่ดีที่ไม่เสียมากกว่านี้หรือสองทำให้เห็นว่าเออเงินทองไม่ใช่ของเรานะอย่าไปยึดบ้านถือไมกก้กับมันมาก เพราะถ้ายึดมั่ถือมั่กับมันนะเราถ้าเวลามันหายเวลามันเสียนะมันไม่ใช่แค่เสียเงินมันเสียอย่างื่นด้วยเราฝึกให้รู้จักปล่อยวางเสียก็เสียไปหาใหม่ได้เรียกว่าได้ธรรมะได้ฝึกใจถ้าทำแบบนี้ได้กำไรออเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากจะให้พวกเราเนี่ยหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องของใจนะเราเราเราต้องการความสุขอย่าลืมว่าความสุขปัญหาได้ที่ใจไม่ได้อยู่ที่สิ่งอื่นไม่ได้ไ ม, ไม่ไม่อยู่ที่สิ่งนอกตัวถ้าคุณไม่มีความสุขที่ใจแล้วคุณอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขคุณมีเท่าไหร่คุณก็ไม่มีความสุข คุไปเที่ยว ท, ที่นั่นที่นี้คุณก็มีความสุขชั่วคราวเสร็จแล้วก็เบื่อไปพระเจ้าเปรียบยุบประเ ม, มาภูมิใจว่ามีสุนัขที่เลื้อนตัวหนึ่งมันไปนอนใ ต, ต้ต้นไนนนม้มันก็ไม่มีความสุขคันมันเป็นนอนนาฏธรรมันก็ไม่มีความสุขเหมือนคัน มาไปนอนบนดินมันก็ไม่มีความสุขมันนอนมันนอนใต้ถุนมันก็ไม่มีความสุขเพราะคันแล้วมันก็ย้ายไปเรื่อยมันย้ายไปเรื่อยเพราะมันคิดว่าตรงนี้ก็ไม่ดีตรงนั้นก็ไม่ดีแต่ที่จริงเป็นเพราะอะไรฮะเป็นเพราะตัวมันเองฮะมันขี้เลื้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันนอนที่ไหนก็ไม่มีความสุขหรอกเพราะหนังมันเป็นแผล คนเราถ้าใจเป็นแผลนะมันอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขนะแต่ถ้าใจดีเจออะไรก็ไม่ทุกข์มีหลวงพว่อท่านหนึ่งที่ที่ที่เมืองชนท่านบอกว่าคนดีนะที่ท่านผูหมายเรีกว่าคนใจดีนะใครปาที่หมาให้ก็กลายเป็นดอกไม้ ใครปาที่หมายกลายเป็นดอกไม้ไม่ทุกข์ด้วยนะไม่เก็บเอาเอาไม่เก็บเอาคาพูดของเขาเนี่ยมาทึ่งแทงตัวเองรู้จักผลักออกไปคนฉลาดนี่ใครด่ า, ดาไม่รักนะเหมือนกับ เวลาเราไปเดินเที่ยวตามสวนมะพร้าวอ่ะมันมีลิงลิงที่ดื้อนะลิงเกลเลมันเห็นคนมันไม่ชอบมันก็เอาลูกมะพร้าวคว้างเราเห็นว่ามันกําลังคว้างเนี่ยลูกมะพร้าวกลาลังพุ่งเข้ามานี่เราทําไงฮหลบเราไม่เอาหน้ารับเหรอใช่ไหมแต่เวลาใครด่าเราทําไมเราเอาตัวรับอ่ะ ก็ด่าว่าเราเราเป็นเป็นหมูเป็นหมาทําไมเราไปยอมรับว่าเราเป็นหูเป็นหมาใช่ไหมหลวงพ่อชาบอกว่าเราใช้ตาเราเป็นหมูเป็นหมาเป็นเทียเป็นหานะให้คลำที่ก้นแล้วดูว่ามีหางหรือถ้าไม่มีหางก็อยไปโกรย์เขาก็ด่าเราว่าไอหมูบ้วนเราโกรธเราต้องถามว่าเราเป็นหมูบ้วนหรือเป่าเราไม่ใช่แล้วเราโกรธทำไม แต่เราไปโกรธก็เราไปก็ดถาว่าเราเป็นหูเัรเออครูเป็นหมูเหรอคูโกร <c oughs> ไม่ใช่ใช่ไหม <c oughs> เวลาลิงมันคว้างคว้างมะพร้าวใสเราเราลมต้องเราคนฉลาดลลคอือลมลมเสร็จคนนี้เราควา้มามะพร้าวได้โดยทำเนียบงเพร้าวนะ <c oughs> ปลาใสมันเหรอคนปลาใสมันฉลาดไหมไม่ฉลาดนะ เอาเก็บมากินมาฉอกินเขาด่าเราถ้าเราด่ากลับอันนี้เราโง่แล้วนะแต่ถ้าเกิด ว, ว่าเออเขาด่าเสร็จเราเอามาคิดพิจารณาอันนี้ฉลาดมีเศรษฐีคนหนึ่งเป็นเจ้าของมือโบราณชื่อคุณเล็กคิริยพันธ์เขาบอกว่าวันไหนไม่ถูกตำหนิว่านั่นเป็นอัปมงคลวันไหนไม่ถูกตำหนิว่านั่นเป็นอัปมงคลถ้าวันไหน ถูกตําหนิว่านั้นเป็นมงคลแลเพราะว่าคําตําห น, มนิมีประโยชน์นะมีประโยชน์มันทําให้เราได้รู้ว่าเรามีข้อผิดพลาดตรงไหนมันทําให้รู้ว่าคนที่พูดนี่มีนิสัยใจคอเป็นอย่างไรคนจะคบได้แค่ไหนคบแค่คือคบสองหรือคบวาคนบางคนที่ปากร้ายเอราก็คบไกลๆหน่อยแต่ถ้าปากร้ายใจดีเราก็คบใกล้หน่อยแต่คนที่ด่าเรื่อยวิจารเรื่อยก็คบ คบว่าไม่ครบสองนะแล้วคนเราต้องจัดความสัมพันธ์ให้ถูกนะเราก็ดูจากคําพูดของเขาด้วยนะแต่ก่อนอื่นใดเนี่ยก็อย่าเพิ่งเอาคําด่าเข้ามามาทึ่งแทงเราสาคัญมากเลยนะอย่าไปเก็บเอาคําด่าเข้ามาทึ่งแทงเรามีหลวงพ่อหึงท่านที่หลวงพ่อประสิทธิ์นะถาวเวอรโรท่านเป็นอดีตเจ้าวัดวัวดธรรเดเปรตเกาะ <c oughs> สีฉัต วัด น, นี้เคยเป็นวัดล้างท่ามาบุกเบิลก่อนที่มาบุบเบิลใหม่ๆ ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม, มีปัญหามากนะเพราะว่านักเลงเจ้าถิ่นเนี่ยไม่อยากให้พระมาอยู่คงอยากจะพุกที่วัดนะเพราะเกาะสีช้างมันสมัยก่อนี่มันเป็นเกาะท่องเที่ยวอะสมัยนั้นยังไม่มีพัทยายังไม่มีเากาะเกาะภูเก็ตต่างก็ยังไม่ได้เป็นที่โด่งดังเราก็ไปเที่ยวเกาะสีช้างกัน ล้วก็หาทางแกล้งพระพระบินสบาตอยู่เดินชนรดนบาดกระเด็นบั่งบังนีก็ด่าพระดา่าเียให้หายแต่หลวงพ่อประสิทธิ์ท่านก็กดกลัน้นท่านเคคิดอยากจะย้ายวัดแต่ว่านึกถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับญาติโยมแล้วก็พระในแล้วท่านก็เลยอยู่ต่ออยู่ต่อก็ต้องเจอกับเสียงด่าท่านทำยังไง วันหนึ่งท่านเข้าไปในหมู่บ้านผ่านหน้าบ้านของนักเลงคนหนึ่งมันเห็นมันก็ได้โอกาสนะมาถึงที่เลยคันนะี้สบายดายเลยนะหลวงพ่อท่านได้ยินนะท่านทำยังไงบางคนก็อาจจะใช้วิธีทำหูทวนลมไม่ได้ยินแต่บางคนก็โกรธ ด, ด่ากลับหลวงพ่อไม่ได้ทำสองอย่างหลวงพ่อ เดินเข้าไปหาเขาจับแขนเขย่าแล้วก็ถามว่ามึงด่าใครมึงด่าใครไอ้หมอห น, น้น ก, ก็ตอบว่าก็ดามุนน่ะสิกูกับพระน่าดามุงน่ะสิท่านตอบว่าอย่างไงอ๋อแล้วไปที่แท้ก็ดามึงดีเล่าอย่าดากูแล้วกันนะคือถ้าไม่เอาคําด่ามามาเป็นของท่านเนี่ยใช่ไหมถ้าเป็นเราที่โวยมันดากูกูกดด็โกรธเลย แต่ท่านบอกว่าเออดา่าด่ามึงนะเออไม่ใช่ด่ากูแล้วกันแล้วไปมไม่เอาคําด่ามาเป็นของเราเคยมีในสายวัตกรรนี่เคยมีพราหมคนหนึ่งดา่าพระเจ้ากลางตลาดเซยหายเขาเกี่ยวโกรธแค้นที่พระเจ้านี่ไปเอาเอาลูกศิษย์เข้ามามานักถือพระองค์แล้าก็ดา่ดาดา่ดาด่าพราะเจ้าก็ไม่ตอบ น, นะพระเจ้าไม่เคยตอบไม่เคยด่ากลับเลยไม่เคยมีลายไหนที่ด่ากลับ พระเจ้ก็นั่งฟังไม่ใช่ทำหูทั้ลม ก, ก็ฟังนะแต่ว่าไม่ทุกข์ด้วยเสร็จ แ, แล้วก็พอกระาษจบก็เลยไปถามพราหมณ์ว่าพราหมณ์ที่บ้านท่านเนี่ยมีอาันตุกะมาบ้างไหมเขาบอกมีเสเนะีะก็พระเจ้าไม่ใช่เป็นคนขึ้นไม้ไรตอกมีคนมาหาเยอะเลยแล้วเวลาอาขันตุกะมาท่านทําอย่างไรก็เอาน้ํามาต้อนรับเอาของขบฉันมาต้อนรับ พระเจ้าก็ถามตอบไปว่าแล้วถ้าขันตุกะไม่รับของนั้นที่ท่านให้เนี่ยของนั่นจะเป็นของใครก็เป็นของข้าพเจ้าก็สิพรเจ้าก็เลยตอบว่าฉันได้ก็ฉันนั่นที่ท่านด่าว่าเราถ้าเราไม่รับจะเป็นของใครใช่ไหมมีคนนึงก็พูดดีนะคําด่าว่าเนี่ยนะเหมือนกับเขียนจดหมาย หยอดตู้ไปสนีถ้าไม่มีผู้รับเนี่ยจดหมายมันจะไปไหนตีกลับมายังเจ้าของใช่ไหมเออนั่นแหละใครด่าเราเราไม่รับเนี่ยมันก็กลับมาที่เจ้าของแ้วก็เทียบดีนะคำด่า น, นี่มันก็จดหมายที่หยอดใส่ตู้ไปสนีถ้าไม่มีผู้รับมันก็ตีกลับปัญหานคือเรารับหรือเปล่าถ้าเรารับเราก็เราก็ทุกเองหรือแต่ถ้าถ้ารับไปก็ไม่ทุกนะ เราใช้ประโยชน์ให้เป็นก็เอาท่อนี้ก่อนนะคือว่าพูดง่ายคือว่าสุขหรือทุกข์เนี่ยอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่ว่ามีใครพูดดีกับเราไม่ช่บมีโชคมีลาบถึงจะมีความสุขไม่ใช่ว่าสุขภาพดีถึงแม้เรามีคนตําหนิเรามีคนมาว่ากล่าวเราเราเจ็บเราป่วยเราสูญเสียเงินสูญเสียทรัพย์แต่เราก็ยังมีความสุขได้อยู่ที่ใจฮะดังนั้นดูแลจิตใจเราให้ดี ใส่ใจจิตใจราให้ดีเพราะทุก ว, ว, วันนี้เรามีเวลาให้กับจิตใจเราน้อยเรามีเวลาให้กับเสียงอื่นมากอยู่ว่างๆก็ดูโทรทัศน์อยู่ว่างๆก็คุยโทรศัพท์กับเพื่อนเราไม่เค่อยได้อยู่กับตัวเองเท่าไหร่ไม่คยมีเวลาให้กับจิตใจตัวเองเท่าไหร่วันหนึ่งเราอาบน้ำกี่ครั้งชําระร่างกายกี่ครั้งเรามีเวลาชําระใจบ้างไหมเรากินอาหารวันละสา ม, มื้อสี่มือ้อ เราหมดไปเวลาไปหลายชั่วโมงสําหรับการกินอาหารสา ม, มื้อรวมทั้งหาอาหารหรือว่าการรวมทั้งการทํางานเพื่อหาเงินเพื่อซื้ออาหารด้วยแต่เรามีเวลาให้กับอาหารใจบ้างหรือเปล่าเรามีเวลาประดับประดาหน้าตาเราเราดูเราให้เวล า, าการจับผมของเราเนี่ยวันหนึ่งกี่ชั่วโมงแต่เรามีเวลาให้กับการ ดูแลจิตใจแบ้าก็ไมเรามองสองกระจกวันละกี่ครั้งก็มีคนทำคนทำสติติไว้นะวันละสามสิบครั้งก็ประมาณทุกครึ่งชั่วโมงของเวลาที่ตื่นวกเราจะไม่ถึงนะเพราะว่าแถวนี้ไม่ค่อยมีกระจกเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้เขาสำรวจเมืงนอกที่ไหนไหนก็มีกระจกมันเลยห้องน้ำ รถยนต์ต่างๆเนี่ยห้องทํางานแต่เราถ้าเห็นกระจกมหล้ต้องมองสองละใช่ไหมแต่เราเวลาดูใจเราบางบกหรือเปล่าเราอยากจะให้คนหนึ่งรู้ใจเราอยากจะให้แฟนรู้ใจเราอยากจะให้ลูกน้องรู้ใจเราอยากจะให้น้องรู้ใจเราแล้วเราเคยที่จะรู้ใจตัวเองบ้างไหม ถ้าเราไม่มีรักกับการชำระใจติดใ จ, ใจไม่มีเวลาดูแลจิดใจไม่มีเวลาเติมอาหารใจนี่เวลาให้เวลากับติตใจตัวเราเองมันก็เหมือนกับเรากาลังมีลูกแล้วเราทิ้งลูกนะไม่ดูแลลูกลูกน่็นจะกลายเป็นลูกที่เกเรเป็นลูกที่ขาดความอบอุ่นเป็นลูกที่คอยสร้างปัญหากับแม่ เป็นลูกที่เกเรเป็นลูกที่อันตรพาลเป็นลูกที่พูดยากคุยยากอย่าไปโทษลูกนะเพราะว่ามาันต้องโทษเราเองว่าเราไม่ดูแลให้กับลูกเราทางดุตสาห ก, กันทถ้ากับว่าเราไม่ดูแลจิตใจเรานะจิตใจเราก็เกเรชอบคิดงบฟุ้งซ่านชอบเอาคำด่ามาเก็บมาคิดกลายเป็นคนน้อยเนื้อต่ำใจเป็นคนที่กินไม่ได้นอนไม่หลับ ใจทั้งนั้นแหละเพราะว่าเราไม่ได้ให้ความสาคัญกับจิดใจเราใจเราก็เลยเป็นใจที่เกเรใจที่อันตรพ า, าเหมือนกับเด็กที่ขาดความอบอุ่นแล้วก็กลายเป็นเด็กอันตรพ า, านะเด็กเรล่านี้เนี่ยพอโตขึ้นน่ากลัวนะเพราะว่ากลายเป็นพอเป็นพอไ ป, อ เ, ปเรียนอาชีวะเข้าก็ยกพวก ด, ดีกันหนะีเรียนติดยาาชอบหาความ ทุกยากมาให้กับพ่อแม่นี่คือเด็กที่ขาดความของคุณตั้งแต่เล็กไม่ได้รับความใส่ใจจิตใจเราก็เหมือนกันนะถ้าใจเราไม่ได้าการดูแลใจใสนะ่นั้นในส่วนก็จะกลายเป็นใจอันาพานใจเกเรชอบหาเรื่องมาให้กับเราแค่ เจอนีดเจอหน่อยเป็นสิวๆครับผมแตกปลายก็ทุบละหรือว่าพ่อแม่พ่อแม่ไม่ซื้อเงินไม่ซื้อกระเป๋าพื้ถือแล้กระเป๋าหรือว่าโทรศัพท์มือถือให้ก็ทุบน้อยใจค่าตัวตายก็มีนะเยอะแยะเลยอันนี้คือใจที่มันอันตรายใจที่เกเรในสืน่อมันกลับมาทำลายตัวเราเองพระเจ้าบอกว่าโจรทำลายโจรด้วยกันเนี่ยก็ไม่หนักนาสาหัสเท่ากับจิตที่วางไว้ผิด เวลาโจรมันทําร้ายโจรนี่มันทําทุกอย่างเพื่อที่เอาให้ตายแต่พระเจ้าบอกว่ามันก็ยังไม่ร้ายเท่ากับจิตที่วางไว้ผิดเพราะจิตที่วางไว้ผิดที่มันทําให้ดักยิ่งกว่า น, นั้นนั้นคนค่าตัวตายนี่ก็เพราะจิตที่วางไว้ผิดะคนที่กิตไม่ได้เราไม่หลับรูปหมอกุ้มใจนี่เพราะว่าจิตนี่มันวางผิดมันก็เลยเอาความทุกข์ ม, มาใส่เจ้าของเพราะน้นเราก็ต้องใส่ใจให้ดีๆนะ ให้เวลาเขาดูแลเขารู้ทันใจอาจทำสมาธิภาวนาใจเราก็จะสงบใจเราก็จะเป็นสุขได้แ้่ถึงเวลาเราก็เป็นสุขทุกที่นะใจดีทุกสถานอาละตมาก็เริ่นแค่นี้ก่อนนะเพราะศึกจะยาวไปแนละ้วจากนี้ไปเคยมีอะไรก็ถามกันแล้วกันนะแล้วก็เชิญกัน ก็วเวลาไปวามธรรมาเนี่ยถ้าไม่ได้คำถามแบนฟังตรงๆบางนีก็จะไม่ได้ไม่โดนเนาะองี้ยก็ลองเปิดโอกาสนะครับใครจะถามหรือจะจดส่งมาก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะโดนเอาคำถามที่เกิดเกิดตามหลอนสาัคเนาจะได้คิดแล้วก็คือใครจะถามกันไหมฮะ ลองดูนะ ค, คำถามที่จะได้เปิดว่ามันถามได้หลายเรื่องนะและทุกเรื่องที่เป็นปุ๊บคถามที่อยู่ได้นะของเราจริงๆเนี่ยมันช่วยให้เราได้คลี่คลายนะถามว่านะดูนะครับอันนี้มีถามฝากมาผมนะครั บ, ค, รบความทุกข์ที่มีอยู่ในใจนะที่ฝังอยู่เช่นความทรงจําที่เจ็บปวดเช่นมีคนยืมเงินแล้วโกงหรือคนโงคืนไม่ได้ คนรักผีไปมีรักใหม่ <c oughs> มีกิ๊กน ะ, ะวันนี่ผมเติมเองนะทะเลากับพ่อแม่เป็นประจำนะครับทให้ฝังใจแ้ะเก็บความทุกข์มาไว้ในใจตลอดเลยครับทำให้ซึมเศร้าและหลุดไม่ได้เลยทีเดียใจมันก็ไม่เบิก บ, บานก็ทาตัวเงียบๆอยู่นานๆจะทํำยังไงถึงจะหนีออกไปได้และหานไปรดูแลตัวเองและเรื่องออกกำลังกายรักตัวเองอใน่างถูกต้อง ตอนนี้ทหารคุณจะชงจงๆอยู่นะตรงนี้เป็นสภาวะที่มันมนอยู่ข้างในครับปัญหาที่พูดมาก็มีหลายลักษณะ น, นะที่เขาเล่ามาเนี่ยแต่ตระมาคิดว่าข้อใหญ่ใจความที่ความยึดติดความยึดติดถึงมั่นว่าเป็นความยึดติดถือมั่นทําให้ปล่อยวางไม่ได้ เพราะว่าสิ่งที่มันเป็นอดีตไปแล้วเนี่ยมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเรายังยึดว่าเป็นของเราอยู่เช่นแฟนของเราเงินของเราแต่ไม่ใช่เงินของเราแล้วมันไม่รู้ไปไหนแล้วใช่ไหมหรือกับคนที่เจอน้ํำท่วมบ้านปีที่แล้วเนี่ยมันพัดเอารถมันพัดเอาทรัพย์สินไปต้องไปไกลแล้วแต่ยังยึดว่าเป็นของเราไอ้ใจที่ยึดว่าเป็นของเราเนี่ยทั้งที่มันไม่ใช่ของเราเนี่ยมันทําให้ทุกข์เพราะมันทําให้เรายอมรับปัจจุบันไม่ได้ปัจจุบันคือว่า ไอสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่มีแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วปวัญหาคนเราคือว่าเรายังยึดมั่นถึงมั่นกับสิ่งที่มันเป็นอดีตทําให้เราอยอมรับปัจจุบันที่ไม่มีสิ่งนั้นไม่ได้มันแปลงนะเวลาเรายึดว่าอะไรเป็นของเราเนี่ยเรากลายเป็นของมันทันทีเลยเร า, ายึดว่าแฟนนี่เป็นของเราเนะเรากลายเป็นของแฟนทันทีเลย เรายึดว่ารถเป็นของเรานะเรากลายเป็นของรถทันทีคือเราอยู่ในอำนาจของมั น, นมีคุณยายคนหนึ่งอายุแปดสิบแกมีแกมีหยกเวดงานอยู่เป็นก็หลายหลายแกก็มีแกก็มีอยู่ในครอบครองมาเป็นหลายสิบปีนะวันหนึ่งเนี่ยเมื่อลูกทําตกคนอยังไงไม่ทราบนะคนรับใช้แกก็กว่าลงขยะไปแล้วก็หายไปเลยแก แกซึมมากแกแกเสียใจแกป่วยเลยนะกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะแกยึดมาวันเนี้ยเป็นหยกของฉันแต่ในความเป็นจริงแกเป็นของหยกไปแล้วฮะใช่ไแกยอยู่ในอำนาจของมันเวลาเวลาคนบางคนเนี่ยถูกโจลปกถูกโจนจี้ในซอยเปลี่ยวจนบอกเอาเงินมา แกรักเงินมากไม่ยอมที่จะสลัดเงินนั้นขัดทืองเลยโดนจนยิงตายทําไมแ ก, กขัดเคืองว่าพราะแกไปยืดนี่เป็นเงินของฉันแต่ในความเป็นจริงฉันเน่ยเป็นของเงินมากกว่าคือยอมตายเพื่อรักษาเงินเอาไว้เออเนี่ยเป็นโทวของความยึดมั่นถึงมั่นนะนั้นถ้าเราไม่รู้จับปล่อยไม่รู้จักวางเนี่ยก็จะทุกข์ หลายคนนี้เอาใจไปฝากไว้กับสิ่งอื่คนส่วนใหญ่ก็ว่าแเอาใจไปฝากไว้กับสิ่องอืเอาใจไปฝากไว้กับรถยนต์เอาใจไปฝากไว้กับโยกเอาใจไปฝากไว้กับเงินเอาใจไปฝากไว้กับสามีเอาใจไปฝากไว้กับแฟนและสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นที่มันเป็นที่ที่รับฝากอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่มันไม่เที่ยมมันมันไม่มันแปรปรวนเสมอถ้าเราใจไปฝากไว้กับแฟนนะ เราเตรียมใจทุกได้เลยเพราะว่าเวลาแฟงเขาก็เป็นอื่นเป็นอื่นในที่นี้อาจจะหมายว่าไปมีกิ๊กหรือทิ้งเราไปหรือตายก็ได้เสียสูน์เลยนะถ้าเราใจไปฝสายสิ่งฝังไม่ได้นะฮะมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยแกก็มีสามีที่ดีมากครอบครวัรวเปรครอบครัวก็เรียกว่าสำหรับแกก็คือเลิศเลอเปอร์เฟกต์นนะ ภรรยาสามีก็พูดดีสุภาพเอาใจวันหนึ่งสามีป่วยกระทำถามแล้วตายแกเสียสูเลยนะผ่านมาปีนี้แล้วทุกวันนี้แกยังทําอาหารให้สามีกิน่เลยทุกเชา้าแกทําอาหารแล้วก็เอาอาหารมาตั้งไว้หน้าเก้าอี้ที่ว่างเล่าซึ่งเป็นหน้าเป็นเก้าอี้ของสามีทุกวันนี้แกยังโทรไปหาสามีอยู่เลยนะฮะ เอโทรศัพท์ของสามีแกก็ยังรักษาไว้แล้วก็เปิดโทรศัพท์ที่ไว้โทรศัพท์หาสามีฮะที่ตายไปแล้ว <c oughs> แกไม่เป็นผู้ไมเป็นคนนะแกมีลูกนะแกไม่สนใจลูกเลย น, <c oughs> นี่เลยว่าเป็นเพราะเอาใจไปฝากไว้กับสามีฮะ <c oughs> พอสามีตายก็เลยไม่เป็นผู้ไม่เป็นคนแล้ว <c oughs> ก็ยังหลอกตัวเองว่าสามียังอยู่ ยอมรับไม่ได้สามีตายเพราะถ้ายรสามีตายเนี่ยมันมันหมดเลยนะเพราะเอาใจไปฝากให้กับคนอื่นอย่างบางคนมีสามีสามีขอเลิกเสียศูนย์เพราะว่ารู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าตัวเองนม่ไม่มีความหมายเพราะความหมายและคุณค่าตัวเองไปฝากให้กับสามีไปฝากให้คู่ครอง อันนี้ผิดนะอันนี้คืออันตรายอย่าเอาใจไปฝากว้กับใครเอาใจไปฝากกับธรรมะดีกว่าฝากใจไว้ในธรรมะเนี่ยชั่วเพราะว่าธรรมะเนี่ยมันอากาลิโกไม่มีเกิดไม่มีตายแต่ฝากใจกับสิ่งเงินเนี่ยมันมีเกิดมีดับฮะเพราะนี่ยเราเราจะไปเผอใจนะฝากไว้กับสิ่งใดยิ่งไปยึดว่าเป็นของเราเป็นของเราเนี่ยเราเป็นของมันทันที แม่กับลูกก็เหมือนกันนะแม่ไปยืดว่านีลนน่ลูกของฉันนี่ลูกของฉันไปประมาณฉันะเป็นเป็นของลูกไปเลยแม่กันเป็นของลูกไปเลยคืออยู่ในอานาจของลูกแม่คนหนึ่งเนี่ยแกเห็นลูกเนี่ยชอบเล่นเกมออนไลน์ facebook อยู่กับอยู่หน้าคอมตลอดเวลาก็ ก็เตือนลูกลูกไม่ฟังก็ว่าลูกลูกก็เถียง <ๆ S 1> เถียงไปถึงมาโปรดลูกไม่คุยกับแม่แม่ก็กลุ้มใจเป็นอย่างนี้อยู่หลายวันลูกก็ไม่คุยกับแม่เอาแต่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์เล่นก็ไม่สนใจนอนดึกตื่นสายโดนเรียนแต่ที่อันนั้นยังไม่เจ็บปวดเท่ากับแม่ เท่ากับที่ลูกไม่พูดกับแม่วันหนึงแม่ก็เลยยิงคําขาดกับลูกว่าถ้าลูกไม่พูดกับแม่แม่จะฆ่าตัวตายไอ้ลูกนี่มันใจเด็ดนะมันก็ไม่คุดกับแม่ทันทีเลยนะแม่นี่โดดไปที่หน้าตา่างแล้วก็โดดลงมาจากตึกสูงตายทําไมฮะเพราะว่าเสียใจที่ลูกไม่พูดกับแม่ ลูกของฉันทำไมทำกับฉันอย่างนี้อันนี้แล้วว่าแม่เป็นของลูกไปแล้วฮะแม่อยู่ในอำนาจของลูกถ้าลูกไม่คืยกับแม่แม่ตายดีกว่าอันนี้ทำไมแม่อยู่ในอหนาจของลูกเพราะแม่ไปยิดว่าลูกเป็นของฉันฉันก็เลยกัเป็นของลูกไปเลยแล้เราต้องระวังน ะ, ะถ้าเรารู้จัก ถ้าเราเห็นความจริงว่าจริงมันไม่ใช่มันไม่มมอะไรจะเป็นของเราเลยและเราตระหนักว่าความคิดมั่นถือมาเป็นที่มาของความทุกข์เราก็จะปล่อยวางได้เพราะถ้าเราไม่ปล่อยวางเนี่ยเราซ้ําเติมตัวเองอย่างทีต่ตมาพูดเรื่องว่าพอพอเสียเงินแล้วเนี่ยถ้าไปยึดมั่นถึงมากกับเงินมันก็จะเสียอื่นตามมาเสียใจเสียสุขภาพเสียงานเสียการเสียความสัมพันธ์มันไปกันหมดนะนั่นต้องรู้จักปล่อยวาง ของที่มันอยู่กับเรามันอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นเงินทรัพยสิทธิ์ของหรือแม้ a ระทั่งร่างกายนี้มันมาเพียงชั่วคราวนะอ่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรู้จักวางใจอย่างเด็กเด็กเด็กเด็กคนที่ชื่อเค้งเนี่ยแกแกวางใจได้ดีมากนะแกปล่อยวางเรื่อ ง, ร, องรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าหน้าผมได้เยอะเลยนะก็เพราะว่ารู้ว่าถ้าไปยึดมันมันทุกข์ ต้งปล่อยฮะปล่อยก็ไม่ได้แปลว่าไม่รั้ผมดชอบนะก็ดูแลแต่ดูแลโดยไม่ได้ยึดเพื่อเป็นของเรามันเป็นข อ, ของที่มาแล้วกับเราเพียงชั่วคราวและมันก็ต้องไปทำไมไปพ่อน้ำก็ไปพ่อไฟเหมือนกัไปีที่แรกก็ไปพ่อน้ำต่อไปก็กไปพ่อไฟมีคนหนึ่ง ยังหนุมอยู่เลยทำงานท า, ง, นนทา ง, งานบริษัทคลๆพวกเราเนี่ยแหละโทรศัพท์มือถือซื้อมาเป็นหมื่นสองหมื่นได้ทนะี่มันสมัยก่อนสมัยที่ยังไม่มีสมาร์ทโฟนแต่มันก็แพง น, นะข้อมูลทุกอย่างอยู่นะั้นมันหายฮะเสียใจมากทำยังไงดีอ่ะได้ข่าวว่าหลวงพ่อวันนี้เป็นนั่งทางไหนได้ไปหาหลวงพ่อให้ช่วยก่อนแต่ว่า มันหายที่ไหนจะได้เจอไหมหลวงพ่อไม่ถามเลยหลวงพ่อไม่ถามยี่ห้อไม่ถามรุ่นไม่ถามวันเกิดเทถามว่ามีทองไหมมีครับไม่หนักก็หายมีบ้านไหมมีครับไม่หนักก็ไปมีแฟนไหมมีครับเออสักวันหนึ่งก็ไปเหมือนกันแค่นี้อะแกเลิกถามเลยกราบหลวงพ่อสามทีแล้วไป ไม่ใช่พักกลัวหลวงพ่อจะแช่งนะแต่ว่าได้คิดนะได้คิดว่าได้คิดว่าละ่ะฮะไม่มีอะไรจริงหฮะไม่มีอะไรไจรจงอจะไรังยืยืใช่แล้วก็เองได้คิดต่อไปว่าดีนะเสียแค่นี้เพราต่อไปจะเสียมากกว่า น, นี้ใช่คือเห็นความจริงเนี่ยหลวงพ่อหลงพ่อถามเหลวงพ่อหลวงพ่อพูดเนี่ยเพื่อให้เขาได้ตระหนักความจริงว่า มันไม่มอะไเป็นของเราอยู่กับเราอย่างที่ใช้อย่างยังอ ย, งอยู่เลย ถ, ถ้าจะถ้าจะบอกโดยที่ไม่ได้บอกโดยตรงก็อาจจะบอกได้ ว, ว่าเออดีนะที่มึงมึงเสียแค่นี้วันหน้ามึงจะเจอหนักกว่านี้ถ้าวันนี้ทําใจไม่ได้วันหน้าก็ก็แย่อันนี้เป็นการสอนธรรมะที่ที่ไม่ได้สอนตรงๆนะแต่ว่าผู้ชายวันนี้แกเนะก็ตนะแกก็ทําใจได้โอเคหายก็หายยังดีที่หายแค่นี้เันานี่ ค, ความจริงนะปฏิเสธไมได้ มันความจรบบนี้ทำไมเราไม่ยืมมาถึงไหมแต่ขณะที่มันอยู่กับเราเราต้องดูแลนะต้องดูแลมันมันก็ร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ของเราแต่เราก็ต้องดูแลมันก็เหมือนกับรถเรายืมเพื่อนมาโทรศัพท์เรายืมเพื่อนมาในเมื่อมันไม่ใช่ของเราไม่ต้องดูแลมันใช่ไหมใช่ปะใช่ครับแล้วต่อไปใครจะให้เรายืมถึงแม้มันไม่ใช่ของเรารถคันนี้ไม่ใช่ของเราเป็นของเพื่อนโทรศัพท์เป็นของเพื่อนแต่เราก็ต้องดูแลให้ดี ให้ดีเหมือนกับเท่าให้ดีเหมือนกับวันที่เรารับเขามาหรือยืมเขามาไม่ใช่ว่าไม่ใช่ของเราเลยลไม่ดูแลไม่ใช่นะต้องดูแลแต่ดูแลโดยอย่างยื้มมัไม่ยึดมันถึงมันเรียกว่าปล่อยวางปล่อยวางคือเนี่ยคือดูปล่อยวางอย่างรับผิดชอบปล่อยวางไม่ได้แปลว่าไม่รับผิดชอบปล่อยวางคือปล่อยวางแต่รับผิดชอบดูแลมัน แอบชีวิตให้ไปีอกอบชีวิตให้แต่ไม่ชอบควรวิธีคิดอย่างไรควรจะเชื่อในสิ่งที่ครอบครัวกําหนดหรือไม่ก่อนแรกที่พ่อแม่ทะเลาะ ก, กันครับรก็เลยทุกครับเขาอบอกพ่อแม่ไม่ป่อยวางพ่อแม่มีทิฏฐิเลยทะเลาะ ก, กันสองคนกับเขารู้สึกว่าเขาเป็นยังไง คืออมันไม่ค่อยชัดนะแต่ว่าเอาเป็นว่าพ่อแม่เนี่ยทั้งสองคนมีที่ิบานานก็เลยเทะเลาะกันใช่ไหมครับใช่ใชคนี้ลูกจะทำยังไง อ, อย่างแรกคือว่าเวลาคุณไปทํางานเวลาคุณไปเรียนหนังสือเนี่ยใจคุณก็ต้องอยู่กับการทํางานอยู่การเรียนหนังสือ อย่าไปเอาเรื่องพ่อแม่มาเป็นอารมณ์นะเพราะว่าทคุณเอาพ่อแม่เป็นอารมณ์แล้วเนี่ยคุณก็ทำงานไม่ได้ดีคุณก็เ่เล่มหนังสือไม่ ไ, มไดนะ้ไม่ใช่ว่าไม่ใส่ใจเรื่องพ่อแม่ทะเลาะกันนะแต่ว่าเวลาคุณทำอะไรก็ตามเนี่ยใจคุณคนอยู่กับปัจจุบันบางคนเป็นอย่างนี้เวลาอยู่ที่บ้านเวลาทางานก็คิดถึงู่ที่บ้าน แต่เวลาอยู่กับลูกที่บ้านก็นึกถึงงานดีไหมบอเวลาทำเวลาจะนอนก็นึกถึงนึถึงงานจะนอนไม่หลับแต่เวลาไปทำงานก็ง่วงดีไหมมันผิดสายผิดตัวใช่ไหมมันผิดสายผิดตัวมันต้องกลับไัคือว่าเวลาทำงานอยู่กับงานเวลาอยู่กับลูกอยู่กับลูกแต่ทีนี้เวลาทำงานนึกถึงลูกเวลาอยู่กับลูกนึกถึงงาน มันจะดีได้งไงทสองอย่างใช่ไหมเวลาทํางานก็ทํางานด้วยใจที่ตื่นเวลานอนก็นอนไม่ใช่เวลานอนคิดถึงงานแต่เวลาทํางานก็ลุ้งลุ้งหลับลุ้งนอนคิดถึงเตรียมใช่ไหมและท่านผูชมคิว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะช่วยได้มากถ้าคุณวางใจเป็นวางใจอยู่กับปัจจุบันทำใจอยู่กับปัจจุบั น, วนเวลาไปที่บ้านเวลากลับไที่บ้านเนี่ยอ่าแต่ตอนเนี้ย คุณต้องนึกถึงเรื่องพ่อแม่แล้วเออจะช่วยพ่อแม่ยังไงตรงนี้เนี่ยมันจะปล่อยวางอย่างเดียวไม่ได้มันก็ต้องลงมือแก้ไขด้วยนะพุทธศาสนาเนี่ยจะมีสองอย่างที่คู่กันนะคือทำจิตกับทำกิจทำจิตคือปล่อยวางแต่ทำกิจก็ต้องทำเช่นเมื่อกีอัจตา บ, บอกว่าร่างกายไม่ใช่ของเราแต่เราก็ต้องดูแล การดูแลคือการทํากิตก็อกายสิจจจารปล่อยวางคือการทําจิตมันต้องควบคู่กันถ้าปล่อยวางแล้วไม่ทํากิตอันนั้นไม่ถูกใช่ไหมป่วยเจ็บป่วยเออปลอ่อยวางปลอง่ปลอยวางแล้วไม่รักษาที่ไม่ถูกร่างกายเจ็บป่วยเออไม่ทุกกับมันใจไม่ทุกแต่ว่าก็ต้องรักษาต้องดูแลนี่เรียกว่าทําจิตและทํากิตเรื่องทางบ้านเนี่ยตัวเขต้องอยากปล่อยวาง เช่นตัวอย่างเช่นเวลาคุณไปทํา ง, งานไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือคุณก็วางเรื่องเรื่องบ้านเสียแต่เวลาคุณกลับมาที่บ้านอ่าเราคุณก็ต้องดูแล้วจะช่วยกันยังไงช่วยทําให้พ่อแม่เข้าใจกันได้อย่างไรช่วยทําให้พ่อแม่เห็นความดีของกันและกันได้อย่างไรช่วยให้พ่อแม่ฟังกันได้อย่างไรอันนี้คุณก็ต้องเป็นคนที่ช่วยไกล่เกลีย่ยช่วยเป็นตัวกลาง เพราะว่าการที่คนเรามาอยู่ด้วยกันขนาดนี้เนี่ยมันต้องมีความรักกันแล้วก็ต้องมีความดีต่อ ก, กันเียงแตมองไม่เห็นถ้าเราช่วยทําให้ให้ให้แต่ละคนเนี่ยเห็นความดีของกันและกันและฟังกันเข้าใจกันมันก็จะช่วยทําให้เขาทะเลาะบอะแว้งกันน้อยลง ตรงนี้เนี่ยอาต้องใส่ความรักที่พ่อแม่มีต่อเราเป็นเป็นเครื่องช่วยพ่อแม่ถ้ามาทะเลาะกันตีกันเป็นประจำนะแล้วก็เป็นเป็นความบาดตัว อ, อย่างหนึ่งในชีวิตวัยเด็กนะแต่สิ่งหนึที่ที่ที่เราช่วยได้คือว่าคอยช่วยห้ามนะเพราะว่าพ่อเนี่ยรักลูกนะเวลาลูกเข้าไปขวางเนี่ยพ่อก็ต้องละ ง, งับจัดยันใช่ไหมไม่ไม่ไม่ทํำร้าย ไม่ไม่ไม่ใช่อารมณ์เพราะว่าเดี๋ยวลูกจะลูบหลงอันเนี้ยแต่นั่นคือลูกตอนเด็กนะแต่พอลูกตอนโตแล้วเนี่ยสามารถทําได้มากกว่า น, นั้นเป็นตัวกลางเชื่อไม่ค่อยเห็นความความดีของกันและกันเข้าใจกันอธิบาเชื่อว่านี่ก็เป็นวิธีหนึ่งแต่ว่าพูดกวางๆพูดพูดได้กว้างๆท่านี้เพราะว่ารายเอียดนี่ไม่มีเลยนะตามที่เขาให้มาเนี้ยก็ก็พูดได้อย่างนีงว้า แต่ตะมาพบว่าหลายหลายครอบครัวหลายคู่เนี่ยอย่างที่ตะมาบอกคืว่ามันต้องมีความดีตออ่อมันต้องมีความดีในใจและต้องมีความดีต่ อ, อ ก, กันเพราะฉะนั้นไม่ไม่ฉะ่นั้นเนี่ยอยู่ไม่ได้ถึงขนาดนี้ต้องช่วยทําให้เห็นความดีของการรักกันทีนน่ได้ข้อสำคัญคือเราอย่าไปเป็นปัญหาใช้เองถ้าเราไปเป็นปัญหาเนี่ยก็ทําให้ปัญหามารุกลางมากขึ้นในข้อที่สองว่าอะไรนะอ่าในข้อ คนในครอบครัวชอบวามแผนชีวิตให้มีกรอบชีวิตให้อาจจะเป็นสามีภรรยาฝ่านพ่อแม่เรามีกรอบให้เราแต่เราไม่ชอบครับไม่อยากเป็นอย่างท่านบอกอย่เี้ยเราไม่ชอบแล้วเราต้องรู้ว่าเราอยากจะเป็นอะไรถ้าเราไม่ชอบแต่เราไม่รู้เราเป็นอะไรมันก็ง่ายที่เราจะถูกเขาเขากําหนดให้ถ้าเราชอบถ้าเรารู้ว่าเราชอบอะไรแล้วเรามั่นใจในสิ่งนั้นแล้วเราทําสิ่งนั้นให้ดีเนี่ย อิทธิพลจากภายนอกก็จะน้อยลงคือเราต้องชัดก่อนนะเพราะถ้าเราไม่ชัดเนี่ยนะแต่คนอึ่นเขาชัดกับเราอะ่ะพ่อแม่เขาชัดเนเาะเขาอยากจะให้เราเป็ น, ปนโน่นเป็นนี่ใช่ไหมแต่เราไม่ชัดเนี่ยเราก็จะเผลอได้ง่ายแต่ถ้าเราชัดว่าเราต้องการอะไรและเรารู้ว่าเราได้เราสามารถทําสิ่งนั้นให้ดีเนี่ยจนท่านก็เห็นว่าเออเราจะไปรอดได้เราจะไปได้ดีถ้าว่าเราเดิน ในทิศทางที่เราเลือกเขาก็จะวางใจนะครั ม, มาเนี่ยเป็นเด็กที่เรียนดีตั้งแต่สมัยเป็นเป็นเป็นเด็กแล้วพ่อแม่ก็จะคาดหวังว่าให้เป็นนั่นเป็นนี่เช่นเป็นหมอใช่ไหมแต่ธรรมะก็เลือกมาเรียนทางด้านศิลปศาสตร์ประวัติศาสตร์แล้วก็สามารถทําให้ค่อยเห็นว่าเอ้เราก็สามารถจะเติบโตทางนี้ได้ แต่ไม่ใช่แค่นตัตตะาตลก็มาบวชพระแม่ก็มีความทุกว่าถ้าเราจะเป็นพระไปนานๆเราจะเราจะอยู่ยังไงศึกมาจะทันเขาไหมแต่นตตะมาก็ได้พิสูจน์เห็นว่าเป็นพระก็มีความสุขแล้เป็นพระก็สามารถที่จะมีชีวิตของเราได้ผ่านไปผ่านไปท่านก็วางใจเพราะนัตตะมาชื่อว่าเราต้องชัดว่าเราต้องการอะไรแล้วเราทําสิ่งนั้นให้ดีนะ ถ้าเราทําสิ่งนี้ให้ดีแล้วเนี่ยเขาก็จะก็จะวางใจว่าเราจะไปในทิศทางที่เราเลือกได้สิ่งหนึ่งที่ต้องเชื่อคือว่ามีคนเขพูดไว้ดีบอกว่าเราอย่าไปมีชีวิตของคนถือเข้าใจไหมเราต้องมีชื่องเขาของเราเองเราอย่าไปมีชีวิตของคนอื่ น, ไ ป, น, นไปชีวิตไปมีชีวิตที่คนอื่นเขากำหนดให้เราเพราะเราจะทำไม่ทำไม่ได้ดี แต่เราอยากทำดีได้เราต้องชัดว่าเราทำอะไรเอเารมณหน่อยนะเ ป, น เ, ยรรเป็นเรื่องสายสัตร์ใช่มเรื่องสาสตว์หมวดสายสัต ร, ร์นะครับ <laughs> ถ้าพ่อแม่เรานะกี่เนะชื่อเรื่องทรงเจ้าเข้าผีเราจะวางตัวอย่างไร การผู้ใหญ่ที่แก่แล้วจนจา ว, วะสุดท้ายของชีวิตและมักจะพูดถึงคนที่ตายไปแล้วแล้วอดคิดถึงไปบ่อยสแสดงว่าวิ ญ, ญญาณคนตายยังเวีนว่าอยู่ระหว่และไม่ได้ไปขึ้สวรรค์หรือไม่ไม่ไส้เสกใสในแง่ของวิญญาณวิญญาณนี้คนตายไปแล้วขึ้นสวรรค์หรือตกนรกตามแต่คนกรรมที่ทําไว้ใช่หรือไม่นี่ผมเอาเป็นหมวดหมดความเชื่อนะหมวดวิี แม่เชื่อเรงผีสารนี่เราเดินข้ามตาเระไม่ไส่งเจ้าข้าวผีมันก็มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายทั้งหมดนะเส่งเจ้าข้าวผีเนี่ยประการแรกเนี่ยคนที่เป็นรูปเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปไปขวามไปขวาแบบร้อก้าสิบองศาเนี่ยมันก็จะมันก็ไม่ฟังก็จะเกิดความขัดแย้งกันเราต้องดูให้ได้ว่าสงเจ้าข้าวผีเนี่ยมันมันมันช่วยอะไรแม่ได้บ้าง ความีประโยชน์อย่างไรบ้างบางคนเขาก็เครียดเขาก็ทุกข์ไอการที่มี ม, มีม้าทรงนเนี่ยมามันก็ช่วยให้ความบวังแก่ชีวิตเขได้มันก็มีประโยชน์ของมันนะมันมีประโยชน์ของมันมันทําให้คน ม, นมีความหวังทําให้คนเนี่ยคลายจากความเครียดคลายจากความกดดันมีทําออกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องรู้จัก ชักนำเข้าไปในทางที่ดีแต่อย่าหักด้ามพระด้วยเขาน ะ, ะเช่นอาจจะค่อยๆค่อยๆค่อยๆดึงเข้าไปสู่เรื่องเรื่องเทพเรื่องเรื่องเทพเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มันมันยึดโยงกับเรื่องการทำความดีเช่นหลันมานับถือเจ้าแม่คนอีม่ม เพราะว่าท่านปีผู้มีความเมตตารกรุณาต่อสรรพสัตว์นับถือเจา้าแม่กนอิแล้วต้องรักษาศีลให้ดีคือถ้ามีถ้ามีศีลเนี่ยมันก็ช่วยรักษาจิตใจเอาไว้ได้ในระดับเดีและต่อไปเนี่ยเราก็อาศัยเรื่องของเทออาศัยเรื่องเทวดาเรื่องสิ่งประจิกษ์ปฏิหารเนี่ยมาดึงเขาก็หาธรรมะจริงๆ อ, อย่าไปใช้วิทยาศาสตร์กับเขาเพราะว่ามันจะยิ่งเป็นการต่อต้าน ผู้ง่ามคือว่าถ้าเราจะดึงเข้ามาเนี่ยเราต้องดึงเราต้องเราต้องไม่ให้เขายื่นมือมาหาเราแต่เราต้องเอื้อมมือไปหาเขา <c oughs> เวลาเราช่วยเขาเราเราเรียกให้เขามายื่นมือมาหาเราเนี่ยมันยากเราต้องยื่นมือไปหาเขานะมันมีเรื่องนะมันมีมันมีเรื่องตลกนะเกี่ยวกับนัสรุดินระู้จักนัสโรดินไหนัสโรดิน น้าสุรินทร์นวันหนึ่งเนี่ยเห็นคนกำลังกําลังเสียงอื้ออึงอยู่อยู่ริมน้ำเขาเป็นเสียงอะไรบราก ว, ว่ามีพ่อค้าซึ่งรวยคนหนึ่งเนี่ยเป็นต้อคพักเงนินกู้เนี่ยแกกำลังจมน้ําแกว่ายน้ําไม่เป็นคนที่อยู่ริมฝั่งเนี่ยเขบอกว่าให้แกยื่นมือยื่นมือมายื่นมือมาใช่ไหมแต่แกก็ไม่ยึดไม่ยอมยื่นมือและแกก็ประยันตายน้สุริร์เห็นน้สรินทร์น้สุรินทก็ บอกว่าเดี๋ยวฉันจัดการเองนั้นนักสุดิก็ยื่นไปให้เขาตล้วบอกคว้ามือฉันคว้ามือฉันไอ้หมอนั้งคว้าเลยแล้วก็ช่วยขึ้นฝั่งได้คมก็ถามว่าทำไมคุณช่วยเขาได้เ้าก็บอกว่าไอ้หมอ น, นี่นะมันเป็นพ่อคว้างหนึ่งฟูกมันงกมันไม่เคยให้อะไรใครหรอกมันมีแต่จะคว้ า, ม, าวมือเขาตอนนั้นไปต่อยเขายื่นมือยื่นมือมามันไม่ยื่นหรอกแต่ตั้งคว้ามือฉันคว้ามือฉันเลเป็นคว้า พราะชีวิมันเนี่ยมันคว้ายมันป้ามันสลอมมันไม่เคยยื่งเมื่ใครเลยใช่ไหมคือเราจะช่วยเขาเราต้องรู้ว่าเขาเป็นใครมีนิสัยยังไงคนที่เนี่เราเนี่ยเราอยู่ตรงนี้เป็นจุดสมมุติเราเราเป็นรุ่นเราอยู่อยู่บนจุดที่เป็นธรรมะเนี่ยธรรมะแท้ๆเนี่ยส่วนแม่เนี่ยอยู่อยู่มุมหนึ่งนะก็คือว่าสยศาสตร์นะเราจะเขายื้อมื่อมหาล่อนยากเราต้องยื้อไปหาเขาก็คือเราต้องพูดภาษาเขาอ่ะ พูดภาษาขา้อูดภาษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อธิปติหารซึ่งในพุทธศาสนาก็ไม่ไปรีเซตนะพูดได้เรื่องเทพเรื่องเรื่องเทพเรื่องเทวดาในพุทธศาสนาก็มีนะด้วยนี่แหละหลวงพ่อหลวงปูงพ่พ่อคุณถึงเป็นที่ยก ท, ที่นิยมเพราะว่าท่านท่านมีเรื่องพวกนี้แล้วเวลาเราจะจะไปดึงดึงจะไปดึงแม่พ่อมาเนี่ยก็ต้องก้าวไปหาเขาผู้ภาษาของเขา นะอย่าปฏิเสธเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเรื่องไสยศาสตร์แต่ว่าอาศัยไสยศาสตร์เป็นสื่อคนไทยสมัยก่อนเนี่ยท่านเป็นพระสมัยก่อนท่านไม่ปฏิเสธไสยศาสตร์นะแต่ว่าท่านก็อ า, ช า, า, าใช้ไสยศาสตร์เป็นสือเพื่อดึงคนเข้ า, ามาเช่นจะให้พระสมเด็จจะให้พร ะ, เ, ะ, พระเครื่องก็บอกให้เขาทําความดีรักษาศีลใช่ไหมคุณจะให้ให้พระคุณแพงก็ต้องไม่ไป ไม่ไปเจ้าชู้หรือไม่ไม่ไปปิสิงข้อ3ามเป็นต้นตอนนี้เรื่องเห็นคนตายเป็นไปได้กันนะเป็นไปได้สองอย่างก็คือว่าคนตายนั้มาหาหรืออาจจะเกิดจากจากจากจิตที่ปรุงแต่งหรือจะเกิดความรู้สึก ความผูกพันที่มันทำให้เห็นภาพเป็นทิมมีขึ้นมาถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าเขาเห็นจริงนะ่ะคนที่ตายไปแล้วไม่ขึ้นสวรรค์เลยมันก็แปลกนะไอ้เรื่องนี้เนี่ยอัตมาเพิ่งอ่านเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นบันทึกของหมอคนหนึ่งแล้วแกมีโลกแกมีโลคคือโรคปวดหัวปวะจําปวดจางหนักเลย แล้วกับแกไปรักษาตัวที่ซิดลิ่งาดรูนี่เกิดขึ้นมาสักสิบี่สิบปีแล้วแล้ววันนึงแกก็เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุเก้าขวบมาหาแต่คุณหนูไม่เห็นนะคุยไปคุยมาแล้วเด็กมันมีการโต้อตอบกันเวลาแกคุยกับเด็กเนี่ยแล้วเวลาเด็กตอบแกมาเนี่ยแกก็แกก็แก ก, แ ก, ก็จะแจะแกแ ก, ก็จะ แกก็จะซ้าพูดซ้ำคำคาตอบของเด็กเพื่อให้คนณถูกจดเพราะเรื่องราวนี้มันมีการจดบันทึกเอาไว้มีเด็กผู้หนึ่งบอกว่าคุณไปคุณมาเอาสั้สนๆนะก็บอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยแกเสียชีวิตไปแล้วเมื่อปีศู 03. นยะ์สองศูนย์สามะแต่ที่แกมาปรากฏเพราะว่าชาติก่อนๆแกเป็นลูก ของหมอคนนี้ในสมัยรัชกาที่สามและแกมาเนี่ยเพื่อจะช่วยหมอคนนี้พราะหมอคนนี้เนี่ยเคยไปสมัยรัชกาที่สามเคยไปลงโทษคนดีขมักคนตายชานี้เลยไม่ต้องมาใช้กำลังปวดหัวมากแล้วเด็กคนนี้เนี่ยตายไปแล้วเมื่อ25ปีก่อนแต่มามาเพื่อช่วยหมอคนนี้อรันะ แล้วก็มันก็มีคำถามว่าเด็กคนนี้เป็นเทวดาแต่ทำไมยังมาพูดนเป็นแถวนี้และเด็กคนนี้เนี่ยชื่ออะไรเขามีมีมีหลักฐานพิสูจน์หมดเพราะว่าเด็กชื่อพีพีวดีนะแล้วก็พ่อของเขาเนี่ยเป็นใครก็มีหลักฐานแล้วมีการสร้างสร้างสร้างสร้างศาลา ให้เขาที่วัด ธ, ธาตุทองก็สับกิมวดีถ้าจำไม่ผิดชื่อวัด ธ, ธาตุทองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กคนนี้มีตัวตนมีจริงแล้วเด็กคนนี้เนี่ยก็มาช่วยหมอสุดท้ายช่วยจะช่วยจนเรียบร้อยนะั้นสำเร็จนะแล้วก็เวลาอ้างอีกทุกอย่างเนี่ยมันมีมันมีหลักฐานเลยว่ามันมีเด็กคนนี้จริงตายที่ลรงพมาบาลซีรีส์ ล, ลเมื่อปีรุ0 3สองสและเด็กคนนี้อ้างว่าตัวเเป็นลูกใครก็ไปเช็คดู ก็จริงหมดนะแนนมาก็เออมันก็เป็นมันก็เป็นเป็นเรื่องที่น่าแปลกเพราว่าถามว่าแต่คนนี้ไม่ไปเกิดเลอไปเกิดแล้วเป็นเทวดาแต่ก็ยังมาพ้วนเปื้อนอยู่แถเนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เพราะฉะนั้นก็เป็นคําอธิบายหนึ่งว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยก็อาจะเห็นจริงและถามว่าทําไมไม่ไปเกิดเรยก็บอกว่าไปเกิดแล้วแต่เกิดแล้วก็ยังก็เกิดเป็นเทวดาแดีวก็ยังมามา มาคอยช่วยใช่ไหมคืนเนี่ยสนใจนะใครไปไปเปิดดูไปเกิด g o เก l e ดูแล้วก็อ่านคนหาเรื่องเรื่องของพิมพ์พระว ด, ดีมันจะมีอ e ีบุ๊มันจะมีเว็บไซต์แลวเนี่ยซึ่งมตามาเอออ่านแล้วแปลกดีเป็นข้อมูลที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนถามเลยต่อนะชุดนึ่งให้ผมทตอบตอบผู้ปยามีที่ตอบก็อสองขอสามะไรตายแล้วสวร์ ใช่ฮะปกติเราตามดวงดาวที่ทำไว้ไหมอ๋อถ้าถ้านะสวรรคนร ก, กนสวรรคนรกเนี่ยถ้าไหนก็แต่ไม่ตรงมีก็มีจริงนะแต่ว่าสิ่งที่เราวาดภาพเกี่ยวกับนรกสวรรค์เนี่ยอาจจะไม่ความจริงอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราวาดภาพเอาไว้ความจริงอาจจะไม่ใช่นรกสวรรค์ถ้าไม่ใช่สถานที่อาจจะเป็นมิติ ก, ก็ได้ใช่ไหมถามว่า ตายไปแล้วเนี่ยมันจบไหมในความเห็นต่อมาไม่จบมันก็ยังมีความสืงเนื่องในความสูบเนื่องน่าจะหมายความว่าอาจจะไปไปมิติหนึ่งที่เราเรียกว่านรกไปมิติที่เรียกสวรรค์หรือไปเกิดกลับมาเป็นมนุษย์ก็ได้มันมีมันในพระไตรปิฎกมีเรื่องพวกนี้อยู่แต่จริงถ้าไม่เน้นนะในพระไตรปิฎกจะไม่เน้นมากท่านจะเน้นชีวิตปัจจุบันและวพุทธเจ้านี่ก็จะไม่ ไ ม, ไม่แนะนําให้ไปเถียงกันเรื่องนรกสวรรค์พระเจ้าจะไม่แนะนํำนะเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันมันเถียงกันไม่จบและถ้าเอาแต่เถียงกันเนี่ยจะไม่เป็นอันทําอะไรเลยพระเจ้าบอกนี้ว่าลองคิดแบบนี้ดูแม่ว่าสมมติว่ามีสวรรค์แล้วเราทําความดีถ้าสอนมีจริงเราก็ได้ความสุขทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้า เพราเมื่อเราทำความดีเราก็มีความสุขในปัจจุบันแล้วบุญก็ทําให้เราไปเกิดในสุคติคือในสวรรค์แต่ถ้าเกิดไม่มีสวรรค์อย่างน้อยเราก็มีความสุขแล้นในชาตินี้ใช่ไหมตรงข้ามถ้าเกิดว่าเราทําความชั่วถ้าเราทําความชั่วเกิดมีนรกเราก็สวย2 ส, สถานคือทุกข์ทั้งในปัจจุบันแล้วก็ทุกข์แน่นาคนแต่ถ้าไม่มีนรกโอเคก็ยังโชคดีหน่อยก็คือทุกข์แค่ชั้นเดียว มนผู้จะถามางั้นจ้าอะไรงัง้นั้นการที่ว่ามีนรกสวรรค์เนี่ยมันดีไหมใช่ไหมมันดีในแง่ที่ว่าถ้ามันมีจริงก็โชคดีสองต่อเพื่อทําความดีแต่ถึงไม่มีนรกถึงไม่มีสวรรค์ก็อย่างน้อยก็ยังได้รับประโยชน์จากการทําความดีเพราะนั้นเนี่ยการเชื่อนรกสวรรค์และทําความดีหรือมีความชั่วเนี่ยไม่ได้เสียหายเลยใช่ไหมท่านบอกท่ามองท่าบอกให้มองแบบนี้นะ มันก็จะมีแต่มันนก็จะมีแต่ ด, ดีไม่มีเสียแค่แ อ, าอปันตะากะทำคือทำที่มันมีแต่ข้อดีไม่มีข้อเสีย ม, มีมุแมแว๊บขึ้นมาหนึ่งนาทีครับวันวันนี้จริงคนทุกวันนี้เหมือนจะเรียกว่าทําความชั่วเยอะกันครับเป็นไปได้ไหมครับว่าจริงแล้วเขาไม่ได้มองวเป็นเรื่องชั่วแต่เขาทาเพราะว่าเห็นมือก็ทำเป็นปกติแล้วเ ร, เราจะวางใจยังไ ก็มีมิจฉาทิฏฐิไงเป็นมิจฉาทิฐิมีความหลงแต่คนเราเวลาทําความชั่วนะมันก็ต้องมีจิตเปน็นอะกุศลนะเพราะในส่วนเรื่องของใจคนเรามันก็ต้องรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเช่นการขโมยการฆ่าสัตว์เนี่ยถึงแม้ไม่ได้เรียนหนังสือมาก็รู้ว่ามันไม่ดีเพราอย่างที่พูดไปผู้วานเนี่ยนะว่าคนเราเนี่ยมันมีทั้งจิตใฝ่ดีและจิตที่เห็นแก่ตัวแม้กระทั่งสัตว์เนี่ย ที่เรว่ามันไม่มีจิตใจไม่มีปัญญาไม่มีความเอื่อเฟื้อเกื้อกูลกันเพราะว่าในในในในในบรรดุลัตษณเนี่ยบางชนิดเนี่ยมันมีความมันมีความความเอื่อเฟื้อเกื้อกูลมันมีความเสียสละอยู่อาตมายกตัวอย่างเมื่อวานในเรื่องลิงที่มันไม่ยอมกินอาหารไม่ยอมกินกล้วยที่วางไว้บนโต๊ะเพราะมันรู้เพราะมันรู้ว่าถ้ามันหยิบกล้วยขึ้นมา เพื่อนมันจะโดนไฟฟ้าช็อตมันก็ไม่แตะกล้วยนั่นเลยใช่ไหมหรือว่าสัตว์ที่เราเห็นเน่หมาเนี่ยทำไมมันมันเลี้ยงลูกมันเลี้ยงลูกแมวมันให้นมให้นมแมวได้เพราะอะไรเพราะมันมีความเป็นแม่มันมีความเสียสละ มีคนมีกราศีคนหนึ่งเนี่ยกราศีเกาหลีอยู่บนเรือเดินสมุทรแล้วไปอยู่นี่ท่านไหนไม่รู้เนี่ยคลื่นแรงตกลงมาจากเรือกลางเทะเลไอ้แบบนี้เนี่ยตายแน่บอกว่ามันไปเห็นเขาไปเห็นคล้ายๆเกาะ อ, อะไรเนี่ยอยู่เล็กอยู่ไกลๆอยู่ไกลๆเนี่ยก็เลยว่าไไยไป ไปขึ้นก่อนอกว่าที่จริงไม่ใช่ก่อนนะคือหลังเต่าใหญ่มากเลยใหญ่ขนาดนี้แล้วเต่าในธรรมชาติมันเนี่ยมันต้องดำลงมันต้องดำลงไปใต้น้ำใช่ไหมมันขึ้นมาปุบเดี๋ยวมันก็ต้องดำลงถ้าดำลงแกก็ตายแน่แต่ว่าแกก็ภาวนาขอให้เต่าเนี่ยอย่าดำให้ลอยอยู่เนี่ยเพราะว่าเต่ามันลอยนะ แต่ว่าเต่ามันไม่รู้ว่ามีใครมีอะไรอยข้างบนมันรู้นะแต่มันก็คือแค่ว่ามันอยากจะช่วยมันก็ลอยอยู่มผิวน้ำใ น, น, นกระทา่งเห็นเรือเห็นเรือเดินสมุทิลําผ่านเอ้เรือเรือเรือลำเก่าเนี่ยมันมันวกกลับมาเขาก็เลยลอแล้วก็เอาเต่าขึ้นมาด้วยแต่ไม่ใช่มาฆ่านะเอาเต่าขึ้นมาเพื่เขียนเขียนว่ เสียสมบนกระดองไว้เตาตัวนี้มันช่วยมันรุดไว้อย่าทำมรัอันตรายมันใช่ไอันนี้คือศาก็มีมีมีน้ำใจมันเคยมีคนเล่าว่าเมื่อที่ประเทศแคนาดาเนี่ยประมาณช่วงเนี่ยธันวาม ก, การานเนี่ยก็ไปเห็นผองไห้หาตุง มันไปหาอาหารยังไงไงวิศวกรบอกว่ า, วาน้ํามันแข็งแล้วก็เท้าก็ดีเท้ามันเนี่ยติดกับเท้ามันติดกับน้ําแข็งเพราะไอ้ลาน้ําเนี่ยมันกลายเป็นน้ําแข็งเท้ามันติดอยู่อะมันบินไม่ได้แล้วก็ตัวมันทั้งตัวเนี่ยนะเกล็ดน้ําแข็งติงเลยมันตายแน่จู่ๆเนี่ยก็เห็นฝูงฝูงหงส์เนี่ยบินผ่าน ผงกระหาน ไ, ไม่ถูกกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสะพานเนี่ยผงเนี่ยมันเห็น่านเนี่ยมันก็บีดลงมาเขาคิกว่ามันจะมาติดไอ้ไอ้หานตัวเนี่ยปรากฏที่ไหนได้นะมันช่วยกันนะผง น, นะช่วยกันแซะแซะเอาน้ำแข็งออกจากเท้าของหา่านจนทั่งหานเนี่ยมันสามารถที่จะขยอ้ขยับได้ ล้วก็ยังช่วยกันไซส์ปีกไซส์ตัวเพื่อให้น้ำแข็งกระจายไปก็เห็กับตาเลยนะเฮ้ยจนทั่งผงตัวนี้ตัวทั้งหาเนี่ยมันมันเรื่องกับกระพือปีกได้พอเลี้ยวแรงมันกลับมามันกะือปีกได้มันบินได้ผมก็พากันบินต่อและเนี่ยคือธรรมชาติของสัตว์เนี่ยมันมีน้ำใจนะไม่ว่าจะน้าใจร ะ, ระหว่าง เผ่าพันุ์เ <el> ด <t> ียวกันหรือว่าต่างเผ่าพันธุเพราะนในภาษากับมนุษย์มนุษย์เราก็ต้องมีน้ําใจมีมโนธรรมผู้งายเพราะเวลาใครทําชั่วเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่ามันมันต้องมีแล้วสึกรู้สึกขืดขัดแย้งในใจใช่ไหมไอ้ความขัดแย้งในใจเนี่ยเขาก็รู้ว่ามันไม่ถูกมันไม่ดีพขาเขรู้ว่าจิตมันเป็นอปุสโเวลาทําความชั่ว เพราะฉะนั้นถึงแม้จะทําตามตามกันนะในส่วนเรื่องมันก็รู้ว่ามันไม่ดีอ่ะไปฆ่าไปขโมยไปขบขืนมันต้องทําด้วยจิตที่เป็นอกุศล ม, มันต้องทําจิตมันก็ทําด้วยสฉพาะจิตที่ฝืนกับความปรารถนาดีความฝ่ายดีที่มีอยู่ในในสังชาตญาณส่วนไอ้ตรงนี้แหละที่เราเรียกว่าบาสนะคือคนจะทำความช่วยเนี่ยมัน ถ้าทำความชั่วโดยที่ไม่ตั้งใจนันก็เรื่องเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าทำด้วยเจตนาเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันเป็นบาปมันไม่ดีมันฝืนกับมโนธรรมไอ้ตรงนี้แหละที่มันมันจะเป็นเหตุบัจจายให้ไปนรกหรือว่าทำให้จิตใจเศร้าหมองคด้ไม่ใคนที่ทำบาปเหมือนโดยเจตนานะโดยไม่รู้ว่ามันบาปมันชั่วเนี่ยมันน้อยมากใช่ยกเว้นประเภทที่เรียกว่าเป็นพวกเอ่อ เป็นพวกโรคจิตหรือว่าพวกเป็นพวกมีปัญหาทางทางจิตใจที่ไม่สงบเงียบเนี่ยโอเคอาจจะเป็นไปได้แต่แม้กระทั่งคนเหล่านี้เนี่ยที่มันเป็นคนที่มีความมีไดนิในใสัยใจดีก็มีเยอะใช่ไหมแม้แต่มาที่ว่าในในส่วนลึกคนเหล่านี้มันรู้นะว่าการทําอะไรก็ตามเนี่ยมันมันดีหรือไม่ดีถึงแม้จะไม่ได้เรียนหนังสือมันก็ตามมีกุลถึงบาท การเรื่อบาปนะเช่นเรื่องการปล่อยเงินกู้บาปไหมถ้าเราไม่อยากให้เขาปล่อยกู้เรามีวิธีเปลี่ยนใจเขาอย่างไรอาจจะเป็นญาติเราปล่อยกู้แล้วเราไม่อยากให้เขาปล่อยกูนะ้ถ้าตัวบาปนะครับคือบาปไม่บาปส่วนก็อยู่ที่ถึงของเบี้ยเลยนะถ้าคุณของเบี้ยมากๆก็บาปนะคือเจ้าตัวมนรู้แล้วมั น, ม, นมันไม่ดีมันเป็นการเอาเปรียบเข้าหรือว่เป็นการการเช้ประโยชน์จากการที่เขาไม่มี กำลังคนที่ปล่อยกู้เพราะเพราะเพราะอยากจะช่วยมันก็มีใช่ไหมอาตมาเชื่อไหมตรงนี้มันอยู่ที่อยู่ที่เจตนาว่าคุณต้องการรีดเขาหรือเปล่าต้องการขูนรีดเหรือเปล่าใช่ไหมต้องดูตรงนี้ด้วยแล้วก็วิธีหนึ่งที่จะแนะนำว่าข้องดูว่าคือคนที่ขูนรีดคนที่ ปล่อยกู้ด้วยด้วยด้ว ย, ว ย, วยเจตนาที่จะเอาเปลียนคือต้องการคุณที่หรือทำด้วยความโลภเนี่ยนะคนเหล่านี้เนี่ยต้องระวังว่าพอตายแล้วเนี่ยจะพอใกล้ตายจะไม่มีความสุข น, น ะ, ะเพราะอะไรเพราะว่าใจมันคึดติงเนี่ยอาตมาไปเยี่ยมชาวบ้านคนหนึ่งไม่ได้รู้จักนะเป็นจิตอาสา ที่โ ร, รงพยาบาลนครปฐมก่อนหน้านั้นเนี่ยหมอที่ดูแลคนนี้ก็มาคุยกับตมาบอกว่าเนี่ยคนไข้คนนี้ใกล้จะตายแล้วล่หละแต่แกไม่ยอมตายสักทีตอนที่แกตอนที่หมอรู้ว่าแกจะตายเนี่ยหมอก็พยายามน้อมใจแกให้เป็นผู้สูญบอกให้แกปล่อยวางปล่อยวางก็พูดเรื่องปล่อยวางหมอพูดนะพูดแนะนํำให้คนไข้คุณยายคนนี้ปล่อยวาง เรื่องลูกเรื่องหล้านแต่พอก็ไม่มีอะไรแต่พอบอยปล่อยวางเรื่องเรื่องทองนี่แกหน้าที่ขึ้นขมยเลยแกไม่ยอมแกไม่ยอมแล้ววันรุกขึ้นามาไปเยี่ยมแกก่อนที่ไปเยี่ยมเนี่ยแกหมอคนี้ก็มาบอกว่าเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยมีคนมาเยี่ยมก็คือก็หอมมาเลยนะมาเยี่ยมแกเป็นเพื่อนบ้านถามว่าทําไมถึงมาแกเล่าให้ฟังว่าไปเห็นแกมาทวงเงิน พราว่าแกยืเมเงินมาเป็นหลายปีแล้วยังไม่คืนเงินเลยแกไปทวงเงินทั้งยังไม่ตายนะจิตนี่มันจิตนั่จิตนี่มั น, นมันมันมั น, ม, น, ม, นมันหวงแหงเงินหอมมันไปตามไปตา ม, ไปตามหาเพื่อนบ้านคนนี้เลยยันก็มาแสบๆเลยนะคือบางทีเรานึกว่าไปคนมันจะไปปรากฏก็ต่อเมื่อตายอลไรอย่างเงีแต่ต้อมาพูดว่ามันมีหลายเคสมากเลยที่ว่ายังไม่ตายนะแต่ว่าใจมันไป ใจตัวมันไปรประกดที่อื่นเป็นเพราะอํานาจของจิตที่มันมันหวมนหงมันแถมมันดิ้มันมากทีแรกแกก็คิดว่าตายแล้วเพราะเห็นเห็นยายคนที้มาทวงเงินแกคิดว่ายากคน้ตายแล้วแกก็รีบ ม, มาที่จริงก็ไม่ตายยังปว่วยอยู่เลยคือแกคือจะตายแล้วแต่ยังไม่ยังยังไม่ปล่อยไม่วางมันแล้วมันจะตายสมบุกได้ยังไงอีกรายนึงเอาไซเมอร์นนะลืมลูกลืมหลานหมดเลยแต่ทุกวันเนี่ยจะหดิ้นสมุด บัญชีบาพลิกดูว่าใครยืมเงินเท่าไหร่มีทรัพย์สินเงินทองเท่าไหร่ลืมเรื่องอื่นหมดแต่เรื่องนี้ไม่ลืมและแบบนี้นะจะไปเทศทำไม้ฟังนะแกะไม่ฟังนะใจแกสนใจอย่างเดียวก็คือทรัพย์สินเงินทองและสมุดบัญชีและเงินที่ถูกผู้ยืมไปแล้วิี่จะตายสมุบได้ไงถ้าไม่วางนะ เพราะเนี่ยอันนี้ก็เป็นเพราะว่าความความยึดตั้งถือมันอันเนื่องมาจากความโลภนั้นใครที่มีอาชีพนี้ออก็ต้องระวังนะก็เดี๋ยวมันอย่างที่จะมาบอกเดี๋ยวาไปคิดว่าเงินเป็นของเรานะที่แท้เราเป็นของเงินต่างหากเวลาจะตายนี่มันไม่ยอมให้ตายอ่ะเงินมันจะดิ้กกรองจิตใจเราไว้จนกระทั่งไม่มีทางที่จะเปิดรับเอารับคุณรับธรรมะได้เลย กเดี๋ยวให้ผมพี่พักสัก5นทีนะครับเสียงมาชั่วโมงคขึ้นนะครับแชร์ก่อนมั้ยใครแชร์ก่อนก็ได้ ที่ดีกฎหมายที่ดีแล้วก็มีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็งรัฐภุ่มเนี่ยมันก็จะทำให้เขาสามารถจะได้รับโทษในชาตินี้ได้ได้เร็วขึ้นหรือว่าแน่นอนขึ้นเพราะว่ากรรมเนี่ยนะมันมันก็มีมีผลอยู่สองส่วนเอาง่ายๆนะคือหนึ่ง มีผลต่อจิตใจมีผลต่อจิตใจแล้วก็มผลต่อชีวิตวิถีชีวิตผลต่อจิตใจเนี่ยมันเกิดขึ้นทันทีเลยที่ทําความชั่วการับชั่นก็ตามโกงก็ตามเนี่ยก็คือจิตใจที่เศร้าหมองจิตใจที่กลัวนะกลัวกลัวถูกลงโทษกลัวคนเขาจับได้กลัวสื่อมวลชนเขารู้ล่องรอย หัวนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามจะเอามาแชร์โพยไมนไม่มีความสุขนะแม้จะมีความสบายจะไม่มีความสุขก็นี่เป็นผลต่อจิตใจที่เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นแหละผลเนี่ยมันเกิดขึ้นในชาตินี้เลยนะไม่ต้องบอาชาตินานหรือฟ้าจิตใจที่เศร้าหมองจิตใจที่ไม่เป็นสุขจิตใจที่อา่าไม่ตกกังวลส่วนผลที่ออกมาเป็นวิถีชีวิตเช่นถูกยึดทรัพย์ถูกจับเข้าคุกแต่พวกนี้เนี่ยมันต้องอาศัย ปัจจัยภายนอกเช่นกฎหมายที่ดีระบบยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพตลอดจนการที่สังคมเนี่ยมีความเข้มแข็งมีหูมิตาที่ดีไอ้ตรงนี้เนี่ยมันต้องช่วยกันสร้างขึ้นมาให้ได้ซึ่งได้จะยากนะแต่ว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายประเทศเนี่ย ซึ่งคนคนคนคนที่โกงเนี่ยเคยลอยนวลเนี่ยพอผ่านมาสามสิบปีไอ้พวกนี้หนีกวาหมายไม่พน้นที่เด่นชัดคือเกาหลีใต้เนี่ยประธานเทสนี่ถูกจับเข้าคุกจนท้าบางคนฆ่าตัวตายอับอายขายหน้าเกาหลีใต้นี่ปให้ติดคุกมาหลายคนแล้วนะคอร์รัปชันนะหรือว่ามีส่วนในการ ฆ่าคนปราบปราม ผ, ผู้ชุมนุมในลาตินอเมริกาใต้เช่นในชิลีอาร์เจนติน่าพวกนี้นี่นัทหารที่มันที่เคยปฏิวัติเคยเคยปราบปรามผู้คนเอาเข้าไปขังคุกไปทรมานพวกนี้เนี่ยเมื่อสาสิบปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้ติดคุกกัน <S <S ก็เยอะใช่ไหมเพราะว่าพอสังคมเนี่ยพอประเทศมันจเจริญคนมีการศึกษาเนี่ย เขาก็จะ <K an> คนเกินสาประเทศเจริญระบบยิติธรรมเข่มแข็งประชาธิปไตยมั่นคงเนี่ยพวกนี้หนีไคนสักสลายหรือว่าน้อยหลายมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทํำคือว่าทำให้ประชาธิปไตยมั่นคงอย่าไปลังเกยียประชาธิปไตยนะถ้าประชาธิปไตยมั่นคงทําให้การเลือกตั้งมันมีประสิทธิภาพทําให้ระบบยุติธรรมเนี่ยมันมันมีความเข้มแข็ ง, ขงมั่นคงเนี่ยไอ้คนที่โกงเนี่ยมัน ในสุดปลาไม่รอดอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้แต่ว่าอาจจะสิบปี20สิบ ป, บปีไม่สายนะปีโนเช่นเนี่ยปฏิวัติเมื่อปีหนึ่งหกปฏิวัติปี1นึ่งฆ่าคนเป็นจำนวนมากเป็นหลายพันคนนะเป็นนายพลเป็นนายพลในชิลีถึงตอนนี้ก็ใช้กังเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันมันเอื้อมือมาถึงมันเกือบส0สิบปีแล้วนะแต่ว่ามันไม่คนหอก ประธานนานะทิพดีมูบรักเป็นไงอียิปต์นะตอนนี้ติดคุกแล้วก็จะตายอยู่แล้วตายอยู่สามสิบปีที่เป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นผู้เป็นผู้ประเด็นการเนี่ยมันมันหนีไม่พ้นเงื้อเมืองกฎหมายถ้าเกิดว่าบ้านเมืองเนี่ยมันมีประชาธิปไตยมันมีระบบยุติธรรมที่ดีอันนี้เราต้องช่วยกันสร้างขึ้นมาจะรอให้ กดแห่งกรรมทํางานไม่พอกดแข่งกรรมก็ทํางานอยู่แล้วนะก็คือว่าทำและคนที่โกรงคนติ่ครัชันที่ไม่มีความสุขนะตายไปแล้วก็ไม่รู้ตายสงบหรือเปล่าตายไปแล้วก็ไปอบายแต่ว่าถ้าจะให้เขาได้รับโทษแทนในชาตินี้ก็ต้องก็ต้องสร้างระบบที่ดีอย่างที่ตมะว่ามาไปที่เรื่องชีวิต ตนนสมมติว่ามีคนไม่ต้องสมมติเลย ม, มีองไมองจริงใช่ไหมสมมติมีคนขับรถมาชนรถของบริษัทสมมตินะมีอมไปสมุติก่อนนะยังไม่มีเหตุการณ์จริงนะแล้วคู่กรณีไม่มีเงินมาจ่ายค่าซ่อมต้อไปหยิบยืมเปน็นหนี้เพื่อมาจ่ายในฐานะพนักงานจะผิดหรือไม่ที่ทำให้เขาเกิดหนี้ ไม่ผิดนะฮะเพราะว่าเขาเองก็ต้องอันนี้ก็ถือว่าเขาเองก็ต้องรับผิดชอบการกระทําของเขาเพาะอจะขับรถชนรถเฉียวเพราะว่าเขาประมาทหรือเพราะเขาเพราะเขาไม่มีสเตนหรือเพราะ ข, าขับรถเร้วก็ตามเนี่ยอันนี้ก็คือคือการกระทำที่เขาเรียกว่ากรรมที่มีผลเป็นวิบากก็คือว่าก็ต้องรับผิดชอบกับการกระทำของเขาซึ่งมันก็ต้องทําให้เขาเนี่ยเกิบดบทเรียนขึ้นมา เราก็ต้องขับรถระมาระวังมากขึ้นมันก็เหมือนกับที่มีบางคนถามว่ามีพนัก ง, งานคอร์รัปชันในบริษัทคอร์รัปชันแล้วเกิดว่าเรารู้เห็นแล้วเราก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบการที่เราตรวจสอบแล้วก็หรือว่าไม่ได่ตรวจสอบตามเราเรารู้เห็นแล้วเราก็ไปแจ้งผูร้รับผิดชอบในบริษัท ซึ่งทำให้ซึ่งอาจจะมีคนทำให้เขาเนี่ยถูกลดเงินเดือนหรือว่าถูกล่ออกเนี่ยมันจะเป็นการสร้างกรรมหรือเปล่าใช่ไหมเราก็บอกว่ามัน ไ, ไม่ใช่เพราะว่าเขาโกงเขาก็ต้องรับผิดชอบการกระทำของเขาส่วนเราเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่ไปนำเรื่องนี้ไปแจ้งให้กับตัวหน้าเนี่ยเราทำหน้าที่ของเราเราไม่ได้ทำเพราะเรา กนแข้งก็เป็นส่วนตัวแต่เราทำว่าเป็นหน้าที่เมื่อ ม, มีการคอร์รัปชันในบริษัทหรือในองค์กรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการไปสร้างกรรมให้เขาแต่การที่เขาต้องถูกไล่ออกเนี่ยมันเป็นผลจากการทําของเขาเองก็คือการคอร์รัปชันต้องแยกกันดั้นเดี๋ย ว, น, น, วนี้บางคนกลัวนะว่าถ้าเกิดเราทําไปเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาเดือดร้อนเนี่ยเราไปสร้างกรรมให้เขาไหมเพราะฉนั้นเป็นคนละเรื่องกัน ก็มันตำรวจนะตำรวจก็มีหน้าที่จับผูร้ายแต่ผู้ร้ายมันได้รับโทษทันเนี้ไม่ใช่เพราะว่าตำรวจไปจับแต่เพราะว่าเขาทาไม่ดีเขาขโมยเขาฆ่าคนใช่ไหมหน้าที่ของตำรวจเนี่ยไม่ได้ทําไม่ได้ไปสร้างกรรมให้ใครเลยแต่เป็นการทําหน้าที่ซึ่งถูกต้องใช่ไหมการไม่ทําหน้าที่หลังผ่าจะเรียกว่าไม่ถูกต้องคือก็คือไม่ซื่อสัตย์ต่อนหน้าที่ของตัวเองเพราฉะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องแยกให้ดีนะ ในกรณีอย่างที่ถามมาเนี่ยคือเมื่อเขาเมื่อผู้กรณีเขาขับรถชนเขาก็ต้องรับผิดชอบของเขาแต่แน่นอนเราก็ต้องมีเมตตาเราแล้วเขาเขาอยากจนมากเราก็ต้องดูว่าเราจะช่วยเขาได้แค่ไหนนะแต่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ยการที่เขาต้องชดใช้เนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของเขาซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับอะไรกับเราเลยอย่างมื่อที่สกุลกรณีเราเห็นมันจะดสีนี้ก็ร้อง เกิดความกลัวในใจคับหลวพี่นี่รจะจัดการยัไงไงครับการอยากทาหน้าที่ก็ อ, อยากทำ น, นะครับแต่เราก็กลัวว่าเยวจะโกรธแค้นเราหรือหรือกลัวว่าเขาจไม่ชอบเราหรือว่ากลัวเขากลัวเข า, าเราปากเต้องตกงานยังไงเราวางใจงงความกลัวนี้มันก็ต้องท้อมีอุเบกขาด้วยอุเบกขาเนี่ยในศาศาศานามศาหมายเขาว่าการการทำใจปล่อยวางหรือวางเฉย เมื่อเขาต้องรับผิดชอบกับการกระทำของเขาแม้เราจะสงสารแต่เราก็ไม่เข้าไปแทรกแสงอันนี้เปลี่ยนง่ายๆมันกับแม่นะแม่รักลูกมากแต่ลูกเนี่ยตันไปขโมยขโมยของในโรงเรียนขโมยยางลบของเพื่อนขโมยปากกาติดสองเพื่อนแล้ว ถ, ถูกครูจับได้หรือลูกเนี่ย ไม่ทํากันบ้านหนีเรียนใช่ไหมถูกครูจับได้ก็ต้องถูกลงโทษแม่ที่ดีควรทํำยังไงฮะช่วยลูกก็ไม่ใช่ใช่ไหมแม่แม่ไม่อยากให้ลูกถูกลงโทษแต่แม่รับลูกแต่ลูกต้องรับผิดชอบการทําตัวเมื่อลูกทําผิดลูกก็ต้องรับต้องรับผิดชอบต้องถูกลงโทษนี่เป็นสิ่งที่ลูกต้องเรียนรู้ใช่ไหมว่าทําผิดแล้วเนี่ยมันต้องถูกลงโทษ การเลีู้กี่จะช่วยทำให้ลูกเนี่ยไม่ทำผิดต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่เนี่ยแม่รักลูกก็จริงแต่ว่าแม่ก็ต้องมีอุเบกขาก็ต้องยอมให้ลูกเนี่ยถูกลงโทษไม่ใช่ไปช่วยลูกไปแก้ตัวว่าลูกไม่ได้ลูกไม่ได้ขาดลูกไม่ได้นีรเรียนลูกป่วยวันนั้นน่ะลูกไม่ได้ขโมยของไปแก้ตัวไม่ได้นะนั้นอุเบกขาเนี่ยต้องมีนะฮะ แม้เราจะรักแค่ไหนก็ต้องมีอุเบกขาแม่ต้องมีอุเบกขาเวลาลูกทําไม่ถูกแล้วลู ก, กทูกลงโก็ต้องก็ต้องให้ลูกยอมรับโทษทันนั้นเในคามเดียวกันเนี่ยเวลาทํา ง, งานในธุรกิจเนี่ยถึงแม้เราจะรู้ว่าเพื่อนเรานี่ไม่เพื่อเพื่อนเราที่ทําสิ่งที่ไม่ถูกแล้วก็แต่ว่าเราก็ต้องวางเฉยเพื่อให้เขารับผิดชอบกับการทําของเขาแต่เราอาจจะช่วยได้เช่น ว, ว, ว่าเ อ, อ พอเขาถูกลงโทษแล้วเราก็มีอะไรที่เราจะช่วยเขาได้ก็ช่วยแต่ยังไปขัดขวางกระบวนการกระบวนการแต่วมาเรียกกระบวนการยุติธรรมแล้วกันถึงพ่อแม่ก็มีตำนาแม่นะครับมีลูกป่วยนะับต้องไปหาหมอรักษาทุกเดือนเลยครับผมพี่ตอนนี้ยังเด็กอยู่แต่พอโตขึ้นไปเรื่อยๆต้องลาโรงเรียนไปทุกเดือนพว่าลูกจะมีผมด้อยครับผมพี่ คือไม่เป็นเด็กทั่วไปควรแนะนำลูกอย่างไรครับปฏิบัติาการปฏิบัติการลูกเหมือนกับคนปกติแล้วก็ให้ลูกยอมรับว่าไอ้ความเจ็บป่วยนี่เป็นเรื่องธรรมดาที่นำคัญอยู่ที่การปฏิบัติของแม่ต่อลูกอธมายุติอย่างเคสสึงชื่อมันมันค่อนข้างจะสุดโตงนะมีมีญี่ปุ่นคนหนึ่งชื่อโอโตตะเกะเกิดมาพิการไม่มีแต่หัวกับตัวไม่มีแขนไม่มีขานะ แต่ว่าโตขึ้นมาเป็นเด็กที่มีความสุขเขาเขียนหนังสือชื่อว่าไม่ครบ5้าไม่ครบห้านี่คือว่าไม่มีแขนสองไม่มีขาสองมีแต่หัวประโยชน์หนึ่งเขาเขียนว่าผมมีความสุขและสนุกทุกวันแกช่วยด้วยในทุกอย่างเลยกินข้าวเองใส่เสื้อผ้าเองนะเขียนหนังสือเองเล่นบาสเกตบอลก็ได้ก็มีถ่ายรูปเอาไว้จีนแปลเป็หนังสือนะเป็นภาษาไทย แกบอกว่าแกไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองพิการเลยจนมาถึงเมื่ออายุยี่สิบเพราะว่าแม่เนี่ยคนที่มีบทบาทสมัยคือแม่แม่เนี่ยจะปฏิบัติกับแกเนี่ยเหมือนคนปกติจะไม่โอบแต่จะให้แม่ให้ลูกเนี่ยช่วยดัวเทุกอย่างแกเลยทําได้ดีเหมือนคนปกติเรียนหนังสืกอก็เก่งแกเล่าเหตุการณ์ตอนนึงนะบอกว่าตอนที่แกคลอดมาเนี่ย หมอและพยาบาลเนี่ยไม่กล้าเอารูปไปให้แม่ดูเพราะกลัวแม่จะช็อกก็ใบเบี่ยงว่าลูกนี่ยังอยู่ในเตาอบอยู่ในตู้อบนะพ่อก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อก็ไม่อยากให้แม่เห็นลูปูมันน่าเศร้าเนอะลูกออกมาไี่มีตาหัวก็พยายามใบเบี่ยงมาเป็นเดือนเลยแม่ก็เรียกร้องนั่แหละว่าเมื่อไหร่ฉันจะได้เห็นหน้าลูกสุดท้ายก็ต้องเอารูปมาให้แม่เห็น แม่เห็นลูกเนี่ยแทนที่จะร้องไห้แล้วโอ้ยลูกฉันเป็นอย่างเนี้แม่เธกับดีใจว่าลูกฉันน่ารักเหลือเกินคือแกไม่เคยรู้สึกดูถูกรังเกียรลูกของตัวเลยใช่ไหมและแม่แบบนี้แหละที่ทําให้โอโททากเกนเนี่ยเป็นคนที่เกิดมาจิตใจปกติไม่รู้สึกว่าเป็นคนิ ก, การจนัึงกับยุ่ยยิ่ง แต่ถึงแม้ม่รู้ว่าตัวพิการก็ไม่ได้รู้สึกต้อยอะไรเราก็ตอนนั้นยีแล้วเนี่ยมันก็โตแล้วนะยันสิ่งที่สำคัญคือเนี่ยขนาดเด็กพิการนะแล้วกรณีเนี่ยจิตจอยมากเลยใช่ไหมก็ไปโรงพยาบาลแค่เดือนละครั้งนะยันเนี่ยถ้าเราถ้าเราถ้าแม่เนี่ยปฏิบัติต่อเด็กลูกของตัวเองนอย่างปกติอย่าไปปกป้องมากอะไรที่ให้เขาช่วยได้ให้เขาช่วยอะไรอะไรที่เขาทำได้ให้เขาทา ถ้าถ้าแม่ปฏิบัติกับเข้าเหมือนคนปกติเขาก็จะสัวเขาเป็ น, นปกติถ้าแม่ปฏิบัติต่อเข้าเหมือนคนก่อนแอมีผมด้อยเขาก็จะการคนผ่อนแอมีผมด้อยใช่ไหมมันมันแค่นี้เองอะแต่แน่นอนนอกจากแม่แล้วเนี่ยคนอื่นก็ต้องช่วยด้วยแต่คนสำคัญที่สุดคือแม่แล้วก็พ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปอย่าไปอย่าไปอย่าไปปริมีตกมากเพราะว่าต้องอยอมรัความจริงว่าคนที่ คนที่พิการคนที่ไม่มีแขนไม่มีขาเขาสามารถที่จะมีชีวิตที่ผาสุกมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้าไม่น้อยกว่าคนที่ปกติคนที่ตาบอดหูหนวงแต่ว่าประสบความสเร็จในชีวิตการงานก็มีเยอะคนที่เป็นนักเขียนชื่อดังทั้งที่ไม่มีแขนคนที่เป็นนักวาดชื่อดังทั้งที่ไม่มีแขนก็มีใช้ปากจากผู้กัน นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังชื่อสตีเฟนฮอว์กิงเนี่ยเดินไม่ได้พูดไม่ได้นั่งอยู่บนรถเข็นแต่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อดังมากป่านนี้อายุเกือบเจสิบแล้วแต่ว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดที่สุดคนในโลกทั้งที่กินไม่ทั้งที่พูดไม่ได้นะขยับนิ้วไม่ได้เดินไม่ได้ไม่รู้เคลียวได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่า สามารถจะผลิตผลงานทางวิยาศาสตรและหนังสือที่มีชื่อคนอ่านเป็นเป็นล้านๆคนได้เพราะนั้นอยาเอาอยาเอาเรื่องของร่างการเป็นเป็นข้อจำกัดอยู่ที่ใจทั้งหมดเลยต้องทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่ไม่มีความรับผิดชอบครับไม่รู้หน้าที่ตัวเองกู้งานหนีงาน ทำงานไม่เต็มที่พยายามปล่อยวางนะครับี้ไม่ใส่ใจบ้างก็มันก็ปล่อยวางไม่ได้นะครับพี่ใช้ออกคนกมากกว่าเบื่อมากกะครับพี้บอกตอนนี้เดือดรำคัญไม่อยากมาทํางานเนียะจะมีวิธีคิดอย่างไรดีหรือเราจะเทรีกับงานมากเกินไปก้าวการัอื่นมากไปนะนะคะผู้หญิงนะฮโ <c oughs> มเมดไปที่จะบอกเข้าตรงๆ คิดว่าคง ม, มันมีอะไรดีขึ้นคือเราต้องระวังนะเวลาเวลาเรามองคนอื่นเป็นปัญหานะระวังเราจะกลายเป็นปัญหาเสียเองอย่างเช่นเนี่ยที่เมื่อกี้บอกว่าเนี่ยคนนี้อู ง, งานเพืพ่อนคนนี้อู ง, งานไม่อยากทํางานไปไปประมาณเราก็ไม่อยากทํางานของเขาใช่ไหมเมื่อ ก, กี้บอกว่าเขาอยากจะมาไม่อยากจะมาทํางานแนละ้เพราะเราไปมองเขาเป็นปัญหาสุดท้ายเรากลายเป็นปัญหาเสียเอง อันนี้ต้องระวังเราเห็นคนอื่นกู้งานไปมาเราก็เลยอยากจะอู้บ้างหรือไม่ไปมาเราก็ไม่อยากทางานเหมือนเขาบ้างมีคนหนึ่งเนี่ยแกไม่ชอบเพื่อรงงานเลยเพื่อรงงานชอบนินทานินทาคนนู้นนินทาคนนี้นินทาตัวเองด้วยไม่ชอบไม่ชอบมากๆเลยใช่ แล้วทําไงฮะเธอก็เวลามีเพื่อนโรงงานคนใหม่มาเธอก็ดินเธอก็พูดดินทาเพื่อนคนนี้ให้เพื่อนโรงงา น, น, าานคนใหม่ฟังว่าไอ้คนเนี้ยมันชอบดินทานเวลาไปเ ว, า เ, เวลาเจอเวลาเจอเพื่อนก็บอกไอ้คนเนี้ยมันชอบดินทานเจอใครเจอใครก็บอกไอ้เนี้ยมันชอบดินทานไปที่บ้านก็เล่าไห้ความมายฟังว่าไอ้เ น, นี้ยมันชอบดินทานเราไม่ชอบว่าเขาดินทานแต่เราอ่ะ กำลังดินทาเองใช่ั้ยเราไม่ชอบคนดินทาแต่เรากลายเป็นคนดินทายจเองเกิดขึ้นเยอะมากมันเหมือนกับเรื่องพระสี่รูปในญี่ปุ่นนั่งสมาติตกลงว่าจะนั่งสมาธิแบบอุกฤษไม่พูดไม่คุยกันหันหน้าเข้าอาข้างฝาตั้งใจว่าจะ ปฏิบัติแบบอุกฤษเจ็วันวันแรกตอนเช้าก็ผ่านไปได้วยดีจนถึงตอนค่ำบอกว่าได้ยินเสียงกุกกักๆุ ก, กักที่วิหารพระลูกมือก็เลย พ, พ่งขึ้นมาว่าเอท่านล็อกประตูดีแล้วหรือ ย, ยังประตูวิหารนะนะรูปที่สองเลยบอกว่านีเราต้ลงกันแล้วไม่ใช่หรือว่าจะไม่พูดกัน องคที่สามพูดว่าแล้วท่านพูดทาไมสองคนเนี่ยนะฮะอง์ <c oughs> ที่สี่ผ่านไปเศร้าองคสี่ก็พูดมาว่าพวกท่านที่แย่หมดเลยพูดกับทุกคนเลยอยู่ว้นผม <c oughs> ใครที่แย่สุดนะเนี่ยนะฮนะคที่สี่นะฮะเพราะอะไรเพราะไปมองคนอื่นเลยลืมดูตัวเองใช่มลืมดูตัวเอง วันนี้ทำไมยังแนะนำเพื่อนคนนี้นะว่าประการแรกก็คือว่าไม่ชอบเขาไม่ชอบพฤติกรรมของเขาระวังเราอย่าเป็นเหมือนเขาไม่ชอบพฤติกรรมของเขาก็อย่าไปหมกบุ่นตวจจอเพ่งเล็ ง, างการกระทำของเขามากไปข้อหนึ่งจะทำให้เราทุกข์ทำงานไม่มีความสุข แล้วต่อไปเราก็จะค่อยๆเป็นเหมือนเขาก็คือว่าไม่อยากทำงานทำไปก็ไรนะ้บอยกลับมาดูใจตัวเองใจที่กลังมีความโกรธความขุ่นเคืองนะทำงานก็อยู่กงานใจอย่าไปวอกวับถึงเขาแล้วคุณจะทำงานยังมีความสุข เขาจะอู้งานไมน่ก็เป็นเรื่องเขาแต่ขอให้คุณมีความสุขกับงานก็แล้วกันถามตัวเองว่ามีความสุขกับงานไหมแต่คุณยังไม่มีความสุขกับงานถ้าคุณไปคอยไปคอยไปค อ, อยไปนึกถึงเขาหรือคอยไปจ้องมองดูพฤติกรรมของเขาถ้าคุณมีความสุขกับงานนะคุณจะแคร์เขาน้อยลงลึกๆคุณก็อาจจะอิจฉาเขยซ้ําว่าเขาเนี่ยไม่ทํางานแต่เขาก็ได้เงินเดือนเท่าคุณคุณก็อยากเป็นอย่างเขามาก เพราะเรืคุณอิจฉาอยากเป็นเหมือนเขาเพราะคุณไมมีความสุขการทํางานแต่ถ้าคุณมีความสุขการทํางานนะใครก็จะเป็นอย่างไรเนี่ยคุณไม่ค่อยทุกข์เท่าไ่สมัยอาตมาบวชใหม่ๆนะเวลาพระที่บวชด้วยกันเนี่ยสืบไปค น, คนละรูปสองรูปนี่นะอาตมาก็รู้สึกเป็นทุกข์นะเพราะสืบกันไปคนละรูปคนละคนสองคนนะเป็นทุกข์ ถามว่าทำไมทุกเพราะเรื่องเรื่องเราอยากจะสืกเข้ามั้งแต่ตอนนั้นต้อมาปฏิบัติไปปฏัติไปเนี่ยมีความสุขการปฏิบัตินะไม่รู้สึกวันไหวเลยใครจะสึกก็สึกไปเราไม่ทุกข์เลยเพราะอะไรฮะก็ะมีความสุขอยู่แล้วการบวชจะไปทุกข์ทำไมที่เขาสืบนะคนที่ทํางานแล้วเนี่ยแล้วไม่ค่อยสบายใจเวลาเห็นคนอื่นมันไม่ทํางานเนี่ยนะเรื่เรื่องนี่ยเป็นเพราะว่าไม่มีความสุขการทํางานอยากจะเป็นอย่างเขาบ้างนะ เนี่ยอันนี้เป็นสัญญาณเตือนนะว่าเวลาคุณเห็นใครเป็คนคนที่เกียจแล้วคุณเนี่ยไม่มีความสบายใจเนี่ยมันอาจจะบอกว่าจริงๆเนี่ยคุณเนี่ก็ไม่มีความสุขงานเรื่องคุณก็อิดฉ้าเขาอยากเป็นเหมือนเขาก้อกลับด้วยท่าทางจิตใจด้วยอนยะ่างนันส่วนเรื่องว่าเขาทําไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบเนี่ยอันนี้ก็มีส่วนนะที่ทําให้เราเนี่ยบางคนนี่ยึดกฎระเบียบมากก็จะไม่มีความสุขที่เห็นเพื่อนรุง่งานไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ทำตามระเบียบอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งคราวนี้ตามมาพูดที่ผูดเมื่อกี้ที่ นพูดเป็นเรื่องการทํากิตเลยนะตอนนี้ต้องทํากิงบ้างนะทํากินคือว่าคุณต้องคิดว่าจะทําให้คนนี้เนี่ยเข้ามารับผิดชอบอ ง, งานได้อย่างไรอันนี้คุณจะต้องร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานด้วยกันต้องร่วมกันคิดหาวนทางว่าจะทําให้คนนี้เนี่ยเขารับผิดชอบอ ง, งานได้อย่างไรใช่ั้มบางครั้งเนี่ยก็าาจะ เป็นเช่นนี้เพราะว่าระบบมันไม่ดีระบบมันไม่มีความที่จะเข้มงวดที่จะทำให้ครอบติวความกระตือูืล้นระบบมีช่องว่างที่ทำให้เขาเนี่ยทำอะไรตามใจก็ได้เราก็ต้องพยายามพยายามที่จะพยายามที่จะสร้างระบบขึ้นมาเพื่อทำให้เขาเนี่ยไม่ทำตามอำเภอใจได้สองต้องช่วยทำให้เขาเกิดแรงจูงใจ ในการที่จะทํางานในการที่จะแข่งขันแข่งเขจะรู้สึกเขาไม่มีความมั่นใจก็ะจะรู้สึกไม่มีฉันท่าในงานอันนี้ต้องต้องเป็นไปได้ไหมที่เราจะทําให้เขาเนี่ยเกิดเกิดแรงจูงใจขึ้นมาในการทํางานเกิดความมั่นใจในตัวเองเกิดความสุขในการทํางานตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการปลุกพลังการสร้างพลังบวกขึ้นมาใน ใ, นใจเขา อัตตาบอกเรื่องว่าคนเราเนี่ยมีทั้งแง่บวกมีทั้งความมีการตัวและความฝ่ายดีเราต้องพยายามทำให้ความฝ่ายดีในใจเขาเนี่ยมันขึ้นมาจนกระทั่งเอาชนะความมีก่ตัวเกิดความสุขในการทำงานซึ่งนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่ว่ามันทำได้มีย้อนกลับไปเอาเป็นเรื่องเด็กนะมีเด็กคนหนึ่งเนี่ย จะไม่เอาอะไรเลยทักอย่างครูสอนอะไรไม่สนใจครูให้ทำอะไรไม่ทำเหมือนกับเป็นเด็กที่มีปัญหาบังเอิญไปครูศิลปะก็เจอเด็กคนนี้ก็เจอปัญหาเดียวกันให้วาดรูปอะไรไม่วาดครูขยันขยอเอาเธอลองวาดหน่อยไม่วาดเด็กมีปัญหางั้นเธอลอง ตวาดคู่กันหน่อยให้ครูดูก็แล้วกันแกก็เคยตวาดคู่กันแบบขอไปทีครูว่าเออสวยนะไหน ล, ลองตวาดใหม่ซิแล้วก็ตวาดอีกเออสวยนะกลับไปบ้า น, กนแกตวาดใหญ่เลยคนะู่กันคู่กันครูชมวนะ่าเออยิ่งแกตวาดยิ่งตวาดแกยิ่งสวยนะครูก็ชมแกทำให้แกมีฉันทานในการที่จะวาดลูดังนั้นถ้าต่อมาลูดแกนเนี่ยมันก็ออกโชว์ได้ที่ทศ ก, กาล ก็มีเร็่อราวแสวงตัวคู่กันน่ะนะออกโชค์แกก็ภูมิใจแล้วก็เห็นเด็กนะเห็นเด็กประมาณเจ็ดแปดขวบคนหนึ่งมายืนดูลูปของแกแล้วเด็กคนนี้ก็บอกว่าโอ้ลูกนี่สวยนะผมไม่รู้ว่าจะทำได้แบบนี้หรือเปล่าไอ้เด็กเจ้าของภาพบอกว่าเธอทำได้สิเธอทำได้ถ้าเธอขยนันเธอทาได้ไเด็กมันเปลี่ยนไปเลยนะเด็กเจ้าของภาพจากคนที่ไม่มีความความความ เชื่อมันในตัวเองคือที่เขาเกรเรเพราะเขาไม่มีความมั่นใจเนี่ยใช่ไหมแต่พอเขาได้รับคําชมเนี่ยเขาเกิดแรงจูงใจเกิดกําลังใจพอเขาทำมากๆทำมากๆเขาก็มีความสุขแล้วเขาสามารถจะเป็นเป็นครูสอนคนอื่นได้ที่มีปัญหาเหมือนกับเขาว่าถ้าเธอมั่นใจถ้าเธอมีความพยายามเธอก็ทําได้มีกรณีหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคือเมื่อสมัยสิปีก่อนเนี่ยมัน พวเราจาับปั๊มเจ็ต น, นะปั๊มเจ็ตเนี่ยมันมีชื่อด้านไหนรู้ไหมหอม้หองน้ำห้องน้าปั๊มเจ็ตเนี่ยมีคนอยากเข้ามานที่สุดเพราะมันส ะ, สะอาดสะอาดเกินมาตรฐานและผู้บริหารคนหนึ่งเวลากาไปต่างกว่าแะชอบไปผู้บริหารเจ็ตเนี่ยนะแกชอบไปแวะดูห้องน้ำ <c oughs> แวะดูห้องน้ำแกก็ไปว่าคราวนึงแกก็ไปเจอแกก็ไปแวะปั๊ม น้ำมันแห่งดินในาค อ, อีสานห้องน้ํามันก็สะอาดนะแต่ว่ามันไม่มันไม่มันไ ม, ม, นไม่มันไม่ถึงมาตรฐานของเจนแกก็ไม่ค่อยพอใจแต่ว่าแทนที่แกจะไปดุไปดา่าพนักงานทําความสะอาดแกก็เดินไปหาคุณป้าแล้วแกก็พูดมาว่าคุณป้าเมื่อกี้เข้าไปที่ห้องน้ําเนี่ยก็เห็นลูกค้าเขาหลายคนก็ชมนะว่าห้องน้ําสะอาด แกจะทราบว่าคุณป้าทําอย่างไรคือที่แกพูดแกก็พูดตรงนะเพราะว่าคนก็ชมมืว่าห้องน้ำสาดแต่ว่าแกในความสื่อแกในห้องน้ามันยังต่ำกว่ามาตรฐานผมเจนแต่แทนที่แกจะด่าแกก็ถามแกอยากจะเช็กว่าคุณป้านี้เนี่ยทําตามมาตรฐานหรือเปล่าทําตามขั้นตอนหรือเปล่าป้าแกก็เล่าว่าโอ้แกก็ทําแกก็พูดเหมือนกันว่าอะไรบ้างซึ่งมันก็ตรงนะแต่มางทียังไม่ดีแกก็พูดว่าเออคุณป้าคุณป้าขยันจังเลยนะ ตั้งใจทํามากเลยคุณป้าแกก็โอนผูกใจคุยกันสักพักนะคุณป้าบอกเดี๋ยวที่ฉันขอตัวนะขอตัวไปไปไหนฮะไปทาความสั่ให้มันสวยกว่าเดิมมีคนชมแล้วเนี่ยเฮ้ยเกิดกำลังใจใช่ไหมวิธีการของผู้บริหารคนนี้เนี่ยแกไม่ดา่าแต่แกพยายามสร้างแรงจูงใจว่าให้เกิดความ เกิดความภาคภูมิใจในงานที่ทาแล้วคนเราพอมีความภาคภูมิใจในงานที่ทำแล้วมันอยากจะทําให้ดีขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมที่ผ่านมาทําเพราะว่าไม่มีคนเห็นหรือทำเพราะว่าไม่มีทําพราะขอไปทีเพราะไม่มีใครสนใจแต่พอร่วมมีคนสนใจและมีคนชมเพิมคุณป้าแกเกิดแรงจูงใจแล้วเราคิดว่ากับคนที่มีปัญหาบางทีเ้าเนี่ยเขาขาดแรงจูงใจไม่ใช่เพราะเขมีนิสัยสันดาลไม่ดีแต่ว่าขาดแรงจูงใจ ค่ะแรงกระตุ้นที่ดีพอตรงนี้แหละเราซึ่งเพื่โรงงานต้องช่วยพนะยายามช่วยสร้างสิง่งแวดล้อมสร้างเหตุ ป, ปัจจัยเพื่อทําให้เพื่อโรงงานเรานี้มันเกิดแรงจูงใจงขึ้นมาอันนี้เราเรียกว่าเรียกว่าทํากิจนะงั้นแตมาเสนอสองอย่ า, า, าย ง, ยงคือทํากิจแล้วก็ทํากิจ ด, ด้วยนะแล้วก็ลองดูแตมาเชื่อว่ามันมันน่าจะดีขึ้นเพราะว่าประสบการณ์ของหลายหน่วยงานเนี่ยมันก็เจอปัญหาหคลาดแบบนี้แหละแต่ว่าพอมันมี พอมัมีกระบวนการทั้งในช์ทในททัั้้งงางผลักทุกคนเราจะทําความคนเราจะทําความดีมันมีสองอย่างนะแรงผลักกระแรงดึงเวลาคุณเรียนหนังสือสมัยเด็กๆคุณเรียนเพราะอะไรฮะกลัวแม่กลัวพ่อแม่ว่ากลัวกูลงโทษใช่ไหมอันนี้เรียกว่าแรงผลักถ้าคุณไม่ไปโงเรียนคุณถูกพ่อแม่ว่าคุณถูกพ่อแม่ลงโทษคุณทำเพ่อะคุณมีแรงผลัก แต่ไม่รู้คุณเป็นยังไงแต่ตมาเนี่ยถึงจนหนึ่งอัตม า, ตมาเรียนหนังสือเพราะว่าสนุกกับการเรียนเพราะว่าเรียนแล้วได้ความรู้พ่อแม่ไม่ต้องบงังคับอัตามาตื่นตีสี่ขึ้นมาอ่านหนังสือตั้งแต่เช้าตอนเรียนมัธยมไม่มีแรงผับฮะแต่ทีนี้มันมีแรงดึงฮะแรงดึงจากแรงดึงจากการเรียนก็คือมันให้วิชาวความรู้มันให้ความสุข แล้คราวนี้ยิ่งเร่งสนุกนะฮะเราถามว่าคนเราเนี่ยถ้าคุณเวลาคุณมีลูกเนี่ยคุณเอย่าใช้แรงผลักกดดันให้ลูกเรียนหนังสือแต่คุณต้องทําให้ลูกเนี่ยเกิดแรงทําให้เกิดแรงดึงที่เกิดแรงดึงที่ทําให้ลูกเนี่ยอยากจะเรียนหนังสือ้การทำงานก็เหมือนกัน ถ้าในองค์กรมันมีแต่แรงผลักก็คือว่าคุณต้องทํานะคุณไม่ทำคุณถูกลงกันเดือนนะคุณถูกคุณถูกคุณถูกลงโทษ น, นะอันนี้เรียกว่าแรงผลักซึ่งต้องมีนะองค์กรก็ต้องมีถ้าองค์กรไม่มีแรงผลักก็แย่ระบบราชการเนี่ยมันมันเป็นระบบที่แย่มันมันไม่มีแรงผักเลยแต่ว่ามีแรงผลับไม่พอก็ ม, มีแรงดึงคือทำให้คนเนี่ยอยากจะทํางานเพราะมีความสุขเพราะว่ามันมีอยากเหมือนกับเด็กนักเรียนอยากไปโรงเรียนเพราะว่ามีเพื่อน หลายคนอยากไปทำงานเพราะเจอเพื่อนอันนี้คือแรงดึงฮะมีความสุขกับการได้ทำงานความภาคภูมิใจองค์กรนี้ต้องทำสองอย่างนี้ฮะมันมเชื่อมมาเชื่อมตรงนี้เป็นเรื่องการทำกินก็ฝากเอาไว้นะพุต้องไปต้องไปลงรายละเอียดกันเ อ, อาเองนาจเกี่ยวข้องมานิดหน่อยแล้วแรงผลัก ในคนนี้ถ้าน้นาเราเป็นคนใจร้อนนะชอบสั่มีวิธีใดในะเข้าใจและเข้าหาเขาได้อย่างไรอ่านอันที่ถึงก็ต้องเข้าใจนิสัยเขา ว, ว่าเขามีนิสัยอย่างนี้แต่ขณะเดียว ก, กันก็ก็ต้องทำให้เขาเกิดความมั่นใจในตัวเราถ้าเขาเกิดความมั่นใจในตัวเราเนี่ยเขาก็จะจาจี้จำชายน้อยลง ความไม่ว้วางใจเกิดขึ้นเนี่ยก็จะคอยคอยตามคอยติดนะเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราทําให้เขาเกิดความมั่นใจเขาก็จะเขาก็จะวางใจเราได้มากขึ้นไอการที่เขาจะมาตามจี้เนี่ยมันก็จะน้อยลงแต่ในเวาเดียวกันเราต้องมี response ต้องมีต้องถ้าเราเรารู้สึกว่าเขาใจร้อนแล้วอาจจะทําให้นาฬิกาเสียเราก็ต้อง ต้องมีช่องทางสื่อสารกับเขาเพื่อทำให้เขารู้ว่ า, าต้องใจยเยอนลงบ้างหรือว่าต้องให้โอกาสคนทํางานตรงนี้แต่มาคิดว่าตัวตัวหัวหน้าเองก็ต้องก็ต้องฉลาดเหมือนกั น, เ, นเพราะว่าการทํางานเนี่ยถ้าเราใช้วิธีการแบบท็อปดาวคือหัวหน้าสั่งอย่างเดียวเนี่ยไอ้แล้วการทํางานเนี่ยมันจะไม่ยั่งยืน เขาเรียก power over power over แปลว่า power แปลว่าอำนาจระบบการทํางานส่วนใหญ่จะใช้ไปแค่ว่าสั่งเอาหรือ top down ซึ่งมันก็จะกลายเป็นว่าตัวเอกอยู่ที่ผู้นําอยู่ที่ผู้หัวหน้าในระบบการทํางานที่มีหัวหน้าเป็นเป็นเป็นเซนเตอร์เป็นตัวเอกเนี่ยมันไม่ค่อยอยัง่งยืนแต่ถ้าเราสามารถที่จะทำขับเคลื่อนทําให้คนทํางานเนี่ยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นคนจักสําคัญเนี่ยมันจะยัง่งยืน แลว้วหัวหน้าก็จะเบาใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องหมายความว่าหวัวหน้าเนี่ยจะต้องจะต้องจะต้องไว้วางใจลูกน้องและเปิดโอกาสให้ลูกน้องเขาได้ได้ตัดสินใจได้คิดด้วยตัวขเขาเองแล้วก็ให้ลูกน้องได้รู้ว่าเขาเองเราเองพร้อมจะรับผิดชอบแทนเขาแต่ขอให้คุณทํำเต็นที่ไม่ง่ายนะเพราะว่า การที่หัวหน้านี้จะบอกว่าฉันรับผิดชอบนะแต่ว่าเพื่อทงเต็มที่นะแต่มันก็คือหัวใจความสำเร็จของหลายองค์กตมาได้อ่านเรื่องราวของบริษัทแฮปปี้เลยแฮปปี้ใช่ไหมแฮปปี้เนี่ยมันมาจาก d t a ท็ d ไอ้ดเนี่ยเมื่อประมาณปี40เนี่ยมันย่าแย่มากเพราะว่า AS ก็แซง True ก็กำลังแซง d t a ทเนี่ยต้องเปลี่ยนผู้บริหารแล้วก็กลังเยืนภราะวาขาลงจากอันดับ2นะมันตกไปเรื่อยๆนะ เพรา อ, อะไรฮะปัญหาหลายอย่างเกิดจากการกู้เงินมากเกินไปแต่ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ทีมงานเนี่ยมันไม่เป็นเอกภาพมันขัดแย้งกันมันทะเลาะบบาแว้งกันขัดแท่งขัดขากันตอนหลังเนี่ยมันมีการเปลี่ยนผู้บริหารคนใหม่เทเลนอรกลับมาเทเลนอรมาพวกนอร์เวย์เนี่ยเป็นผู้นำทีงเก่งนะเป็นผู้นํนำนที่แล้วก็ได้ได้ได้ได้หัวหน้าทีมที่เขาบอกว่าโอเคเราจะทําแฮปปี้ขึ้นมา แอมปี้นี่แยกออกมาจากดีแท็กเลยแต่ว่าจะมีวิธีการบริหารใหมคือว่าทำงานเป็นทีมรุ่มน้องเนี่ยใครทำอะไรรับผิดชอบ ต, าตา่างคนต่างรับผิดชอบมันทำให้เกิดแล้วก็มันทำให้เกิดความร่วมมือกันแทนที่จนะแตลนักคนคนเดิมนะคน9กาสเปซเหมือนเดิมนะแ ต, แ ต, แต่พอเปลี่ยนระบบงานใหม่นะจากที่เคยขัดแข่งขัดขากัน น, นะมันช่วยมันช่วยเหลือกัน พรทุกคนเนี่ยต่างกันต่างรู้สึกว่าต้องมีคผิดชอบร่วมกันแต่ก่อนนี่มันแ บ, บ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายเนี่ยมันต่างโยนกล่าวโทษกันแต่พอทุกคนมาร่วมมนเป็นทีมเวิร์คร่วมมนตัดสินใจนะมันก็เหมือนกัรื่สุขภัณฑ์ น, นนะไปด้วยกันถ้ารวยถ้าถ้าดีก็ดีด้วยกันสวยก็สวยด้วยกันมันเกิดความร่วมมือกันและที่น ห, หน้าทํางานทั้งหัวหน้าเนี่ยหัวหน้าเนี่ยเขาจะสองคนจะเป็นหัวหน้าคู่นะชื่อว่าอะไรนะ จำไม่ได้ละเป็นฝรั่งคห น, นึ่งคนไทยคนหนึ่งเป็นเจา้าลงกุลวิธีการทำงานเขาเนี่ยแปลกคือว่ า, เ, าเขาจะให้เขาจะตัดสินใจน้อยที่สุดเวลาบริษัทเนี่ยทำแผโนโฆษณาจะเป็นโทรทัศน์ก็ดีเนี่ยไอ้หัวหน้าเนี่ยนะบอกผมไม่ดูนะ ผมไม่ดูนะไอ้โทรทัศน์ที่คุณจะไปโค้ดไอ้สปอร์ตที่คุณจะไปไปเผยแพร่เนี่ยคุณตัดสินใจเองคือจะตัดสินใจน้อยที่สุดรับผิดชอบรับผิดชอบนะแต่ตัดสินใจน้อยที่สุดให้คุณไปทํามันเองเพราะผมว่าเดิมทีจากไอ้คนที่มันขายขายข้างขาเนี่ยพอรับผิดชอบก็ต้องรับผิดชอบมันเองนะเอ้ยมันทํามันดีนะมันรับผิดชอบมันดีมากแล้วก็ออกออกไอเดียแปลกๆใหม่ๆที่มันทำให้แฮปปี้เนี่ยมันมัน แซงทรู uh, เลยและสิ่งที่เขาทาคือการทําให้เกิดความร่วมมือกันเป็นทีมเวิร์กไม่มีช่องว่างระหว่างหัวนหน้ากับลูกน้องสิ่งหนึ่งที่จะวัดว่าลูกหัวนหน้ากับลูกน้องมีความสมรรถทีดีกันหรือไม่เนั่นเขาดูตรงไหนหรู้ว่าดูเวลาขึ้นลิฟต์สมัยก่อนเวลาเวลาหัวนหน้าขึ้นลิฟต์นะเข้าลิฟต์นะคนที่เหลือออกมาจะเร่งมนเลย หัวหน้ามสังเกตเฮ้ยมันไม่ดีด้วยบรรยากาศแบบนี้แสดงว่าลูกน้องมักลัวเราลูกน้องกลัวเราไม่ใช่แปลว่าดีนะแปลว่าไม่ดีนะแล้วแกก็แกก็ทําบรรยากาศอะไรอย่างสลายพฤติกรรมแม้กระทั่งว่าเวลามันปีนหมแกหัวหน้านี่ไปเต้นรักกับลูกน้องเนี่ยนะปรากว่าความเป็นแปลเกิดขึ้นเวลาลูกเวลาหัวหน้าเข้ า, เ ข, าเข้าลิฟต์ลูกน้องก็เข้าไปด้วยหรือว่าคนที่คนที่อยู่ในลิฟต์อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ออกมา ลูกน้องกับหัวนหน้าอยู่ในลิฟต์ด้วยกันสแสดงว่าดีแล้วมันเป็นทีมเวิร์กแล้วเฮ้ยถ้าลูกน้องถ้าหัวนหน้านี่เอาแต่ใจร้อนแต่จี้นะลูกน้องกลัวแต่ถามว่าดีไหมอาจจะไม่ดีก็ได้เพราะว่าถ้าทำงานเป็นทีมเวิร์กเนี่ยถ้าลูกน้องกลัวหัวหน้านี่สมมติว่ามันมีแต่แรงขับนะมันไม่มีแรงดึงทำไมกลัวเ่ยทำทำงานก็กลัวลูกน้องทํางานก็กลัวหัวนหน้าเนี่ยแต่ไม่ใช่เพราะว่ามีความสุขไม่ใช่เพราะเชื่อมั่นในตัวเอง แบบนี้เนี่ยมาว่าก็ถ้าหมดแรงทำเมื่อไหร่ก็ก็เสร็จนะแล้วมาคิว่าตรงนี้เนี่ยตัวคนที่เป็นหวัวหน้านีก่ก็ต้องก็ต้องฉลาดพอที่จะรู้ว่าไอ้การใช้อารมณ์การที่จะจ้ำที่จําใช้หรือว่าการที่จะตัดสินใจทุกอย่างเนี่ยอาจจะไม่เพิ่มไม่เป็นผลดีต่อหน่วยงานในระยะยาว ก, ก็ได้ได้สักสองข้อแบบนี้สัส้น ผมห่วงเขาว่าคำถามนี้เป็นเป็นห่วงขอส่นคนถ้าถ้าตอนเราตรวจท้องตรวจพบ ว, ว่าลูกเราพิการเราควรจะให้เขาเกิดมาหรือไม่ก็อย่างที่มาว่านะคนอย่างโอตโัวอกเกตเนี่ยเขาเกิดมาพิการอาจจะยิ่งอาจจะพิการยิ่งยิ่งกว่าเคส ท, ที่ที่ถามมาแต่เขาก็สามารถจะมีชีวิตที่ผา่าศพเป็นลูก ป, ปกติได้ร อยู่ีใจไม่ใช่ที่ร่างกายและใจนี่ก็สำคัญในการเรียนดูมีมีแม่หลายคนเนี่ยพอรู้ว่าลูกพิการพิการในที่ไม่หมายความว่าเช่นหัวใจไม่ดีบ้างอะไรนะไม่ใช่หมายความว่าหัวโตไม่มีหัวนะถ้าไม่มีหัวเนี่ยเอางี้นะไม่มีหัวนี่มีเกิดมาก็ตายแน่ใช่ไหมบางคนตัดสินใจที่จะยึดติด ยุติในคันก่อนที่จะให้เขาเกิดมาอันนี้เรื่องหนึ่งแตถ่ถ้าที่การในความหมายที่ว่าหัวใจหัวใจโตอะไรเงี้ยนะมีปอดหรือมีไตข้างเดียวเนี่ยอตาตมาคิดว่าอย่าไปคิดว่าเขาเกิดมาเขาจะแย่มีแม่คนหนึ่งเขาเล่าว่าหมอเนี่ยบอกว่าลูกเขาจะหัวใจโตแล้วเกิดมาจะลําบากจะต้องผ่าตัดหลายครั้ง แล้วก็ไม่แน่ว่าจะอยู่จะอยู่ได้นานเท่าไหร่จะทำแท้งไหมเขาบอกเขาไม่ทำเขาพร้อมจะให้ลูกเกิดมาและเมื่อลูกเกิดมาแล้วเนี่ยต้องผ่าตัดหลายครั้งอย่างที่หมอทำนายไว้เขาไม่ค่อยมีเงินหัวก็ทิ้งแต่ว่าเขาก็ตัดฟันสู้ แล้วลูกเขาก็มีชีวิตอยู่รอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้สิบห้านะแต่ว่าลูกเขามีความสุขมากเป็นเด็กที่น่ารักปู่ย่าตายายก็รักเขก็ขตัดสินใจถูกมากเลยที่ไม่ไม่ยุติอีกคั้งในวันนั้นอนะ่ะใช่ไหมคือมันชื่อเห็นว่าลูกพิการเนี่ยแต่ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีความสุขเป็นปกติธรมรมดาเป็นไปได้ถึงแม้ว่าจะลาําบากมันจะต้องผ่านตัดหลายครั้ง ต้องทุ่มเทเงินทองมากมายแต่ว่ามันคุ้มอะ่ะแม่หลายคนเนี่ยตัดสินใจยุติการทำแท้งเพราะว่าหมอบอกว่าลูกมาแล้วเกิดมาแล้วเนี่ยจะมีปัญหาหลายคนผ่านมาแล้วสิรปีก็ยังก็ ย, ยังเสียใจยังรู้สึกผิดยังรู้สึกผิดยังยังยังนึกถึงลูกอยู่ซึ่งจะมาเชื่อมันไม่คุ้มนะ ถึงแม้ว่าคือมันคุณทำอะไรบางอย่างในวันนี้เนี่ยบางทีมันไม่จบนะมันส่งผลไปถึงวันหน้าสิปีสิปีข้างหน้าก็ยังก็ยังก็ยั ง, ก, ยงก็ยังทุกอยู่เรื่องนิสสาวผู้หญิงเป็นเรื่องที่สาคัญมากมีแม่คนหนึ่งเนี่ยมีเพียงคนจะเป็นผู้หญิงนะอายุสักห้าสิบกว่าก็มาอบรมมเจอมาแต่งตายอย่างสงบตมา วันที่สองเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของความอยากจะบอกความในใจกับใครแกอยากจะบอกความในใจถึงลูกคนหนึ่งนีเมื่อสามสิบปีที่แล้วลูกคนนั้นแกบอกแกไม่เคยเห็นหน้าเลยนะทำไมไม่เคยเห็นหน้าเรื่องคนเรื่องคือว่าเมื่อแกอายุสิบเจ็ดแกท้องหมอ ก, ก็บอกว่าให้ใหยุดงานอาทิตย์แรกเนี่ย แกท้องเสร็จแล้วแกก็เวลาแกข้องนั้นมีเลือดออกมาจากช่องคลอดหมอก็บอกว่าต้องคุณต้องพักแล้วอาการแกต้องเข้าโรงพยาบาลนะตอนเช้าแกอยู่โรงพยาบาลตอนข้นมพอหมอกลับแกก็ออกจากโรงพยาบาลไปทำ ง, งานแกเปนคนบ้าน ง, งานเนี่ย working woman แกทำอย่างนี้อยู่สามสี่วันหลอกหมอหมอไม่รู้วันที่สี่วันที่ห้า แกปวดท้องมากแกเข้าห้องน้ำก้อนเนื้อมันออกมาจากจากช่องทลอดแกและนั่นแกบอกว่านั่นคือครั้งแรกมาสุนท้าที่แกเห็นงนารู้ผ่านไปส0มสิบปีแกยังรู้สึกผิดเลยแกพูดไปแกก็ร้องไห้ไปนี่ขนาดแกไม่ได้แกไม่ได้ตั้งใจจะให้ลูกตายนห แกเสียใจเลยว่าแกน่าจะทำตามที่หมอแนะนาํา็คือว่าหยุดพักแกไม่เชื่อก็เลยทําให้ลูกตายแกเสียใจสามิปีไปแล้วแกก็ยังพร่ำคนขอโทษลูกไม่ต้อภาษาอะไรก็คนที่คนตั้งใจตั้งใจทําแทนเนี่ยยิ่งสมาชื่อก็ต้องรู้สึกผิดนะสิบปีสิบปีก็ยังก็ยังยังรู้สึกทุกข์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่อยากทุกขแบบนี้เนี่ยต้อ ง, ต, องต้องคิดให้ดี บางครั้งการทําให้เขาออกมาแล้วก็แม้จะยากจะลำบากแต่มีความภูมิใจการที่ไม่ให้เขาออกมาอาจจะสบายปวดกังวลแต่มีความสึกผิดตามมาอันนี้คุณต้องช่างเอาว่าจเจอาแบบไห น, นอันนี้ผมกำลังรู้สึกช่างใจรู้สึกผิดอยู่ ผมขออ่านคำถามทั้งหมดเพ่อจะได้ไม่รู้สึกผิดนะพี่แล้วผมที่เรือกต่อสั้นๆได้นะครับคาดีไม่ต้องไปอ่านผมจะคาใจมากครับผมท้ออ่านหมดที่บ้านเปิดร้านกาแฟครับแล้วคนข้างบ้านสนิกันคิดจะเปิดร้านกาแฟบ้านเรนจะมีวิธีคิดอย่างไรต่อเขาให้มีความสุขครับที่ผมอ่านก่อนี้มันจะตอบเลยนะมีสามคำถามทานพี่ที่เราถามมาแล้ว ก็มุทิตาจิตเนี่เออเขาเรามีเพื่อนบ้านที่มาขายกาแฟด้วยกันนะเราเ็มุทิตาจิตมุทิตาจิตหมายว่ายินดียินดีในความยินดีเมื่อเขาได้ดีหรือยินดีที่เขาได้ได้ทำสิ่งดีใช่ไหก็ไม่เป็นไรเ <cin consig na> งินไม่พอใชน <c oughs> ้นะคอ๋อเงนไม่พอใช่เหรอแบบเหมือนย่งลูกค้าอ๋อคือมันทำใจอย่างไม่ได้แล้วเนี่ยเขาจะมาเปิดเลยทำไมคุณจะทุบไปทำไม ใช่ไหมคุณก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนทุกข์ใ้การเป็นสุขก็คือว่าเออก็ถือเขาเป็นเพื่อนบ้านใ้ใหม่ถือเขาเป็นเพื่อนเพราะว่าคนที่เป็นทํางานธุกรกิจเดียวกันแต่เป็นเพื่อนก็มีใช่ไห ม, ไหมแล้วก็มองว่าเออเป็นคู่แข่งก็ได้เป็นคู่แข่งนงี่แว่ามันกระตุ้นให้คุณต้องพัฒนาต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นเพราะว่าไอการที่ไม่มีไม่มีคู่แข่ง มันก็ไอาทาให้เราเนี่ยเฉยเงอชลาดใจสิ่งสำคัญก็คือทางานอย่างใหจ้จะทํางานนี้มีความสุขคณก็ต้องเปินมิกับเขาอยากแข่งกับเขามีอะไรไปให้เขาบ้างนะเพราคนทุกวันนีนะ้อย่าว่าแต่ทําธุรกิจเดียวกันเลยแม้ไม่ได้ทําธุรกิจเดียวกันแต่ว่ารั้วบ้านอยู่ติดกันก็ทะเลาะ ก, กันใช่มมีปัญหารุ่นพืนบ้านเนะหลายคนมีปัญหาเพื่อนบ้านนะ คนไม้มันมันมันยื่นมาที่เขตบ้านตัวเองบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่ได้ผลนั่นในหลายที่นะคือว่าเวลามีปัญหาเพื่อนบ้านนะเราชนะใจเขาด้วยความดีมีอะไรก็ไปให้เขาภูมิมัเอาไว้แล้วคนไทยพอภูมิกันแล้วมันคุยกันง่าย มีร้านร้านหนึ่งอยู่ที่จตจักก็อยู่กันมานานปกติดีนะต่อมาก็มีอีข้างนึงมันเปิดมันเปลี่ยนเจ้าของใหม่ไอ้ร้านใหม่เนี่ยนะวันแรกก็แสดงริบเลยนะป้ายเนี่ยป้ายรูปภาพเนี่ยที่วางไว้หน้าร้านเนี่ยมันก็มากินกินที่หน้าร้านเขารู้เลยวันที่สายของเจ้าของร้านนี่เป็นยังไงทํายังไงฮะ เขาไม่คิดไปไปด่าไปว่านะพเพราะร่วมมีประโยชน์ผ่านไปวันสองวันเขาก็ออกไปข้างนอกก็เห็นมีผลไม้ขายขาก็เลยซื้อผลไม้มาสองกิโลแล้วก็หิ้วไปมาให้เจ้าของร้านคนเนี้สมมติชื่อว่าก่อแล้วกันนะมันจะได้อธิบายง่ายก่อ กอเนี่ยนะเห็นก็มัอะไรวะผู้ชายคนนี้แกก็บอกว่าผมเนี่ยออกไปข้างนอกเห็นผลไม้อร่อยที่ว่าคุณที่ว่าเฮียคุณชอบนะก็เลยเอามาให้ผมไม่เอาไม่เอากอก็ไม่เอาออไม่เอาจะบอกอีกคนต้งบอกว่าเอาสิครับเราเพื่อนบ้านกันเหมือนกับพี่น้องกันมีอะไรต้องช่วยเหลือกันมีอะไรก็ต้องถึงกันนะตุ๊กสงสงัยแกก็รับ เอนนี้คุยกันดีเลยนะคุยกันดีเลยเหมือนกับคุยรู้จักกันมานานวันรุ่งขึ้นเปิดร้านแกมาเปิดร้านทีหลังเปิดร้านทีหลังของก่อปรากฏว่าไอ้ไอ้ป้ายที่ขวางหน้าร้านแกหายไปซะแกก็เลยเดินไปถามก่อที่วันก่อนผมเห็นป้ายมันอยู่ข้างหน้าตอนนี้มันหายไปไหนขายได้แล้วเหรอมันเป็นภาพนะเปล่าหรอยังขายไม่ได้หรอ อ่าเราเราไปไหนอ่ะอยู่ในรอยู่ข้างในร้านอ่าทําไมไปไว้ข้างไมามาไว้ข้างนอกไม่ดีหรอกนะไปไว้ข้างนอกเนี่ยมันปังหน้าร้านคุณเดี๋ยวลูกค้ามาลูกค้าของคุณมาไม่เห็นของในร้านมันน่าเกลียดนะเอาไว้ข้างในดีแล้วจบเลยนะฮะจาก จากคนที่มันคิดแต่จะเอาเปลี่ยนใช่ไหมไม่นานรักแต่พอเขาได้รับเมตตาจิตเขาเปลี่ยนไปเลยพอเป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยก็บอกว่ามันน่าเกลียด น, นะไปขวางหน้าร้านคุณมันน่าเกลียดพอเป็นเพื่อนกันแล้วมันง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยตมาคิดว่าอยากไปเป็นศันตรูกันถึงแม้จะค้าขายเหมือนกัน เป็นนิตกันดีกว่าแล้วคุณจะทํางานคุณจะทํามากินยังมีความสุขไมะงั้นคุณจะเครียดทั้งวันเลยเพราะว่ามันมันมันมันแข่งขันกันอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยเป็นนิตกันดีกว่า เ, าเกลียดกันนะถึงแม้ว่าจะทํามากิน เ, เรื่องเดียวกันก็ตามนิดเดียวครับถ้าเราทำแล้วมันก็ยังเอาปริ่มเนตลอดเวลาเนี่เยเมตตาเนี่ยเราเรตาต้อง ระยะออบว่าหรือว่าต้องวางใจต้องอดทนนะอดทนคนนี้เนี่ยเขารอต่อนะฮะเขาขายของใช่ไหมวัมนนึงในกอเนี่ยมาถึงบอกขอเรียกว่าขอขอเอาของออกไปก่อนอนะ่ะเขาเรียกว่าอะไรเชื่อเชื่ อ, อคือหลายพันบาทเลยนะ เอาของไปบอกว่าเดี๋ยวอวันรุ่งขึ้นจะมาคืนเอาของไปนะไปขายตามฟอร์มนะหายจ้อยเลยเป็นเดือนไม่เห็นหน้าวันหนึ่งไปเจอข้างถนนโอ๊ยนั้นตกใจเลยบอกว่าผมไม่ไม่มีช่วงนี้เนี่ยพ่อผมไม่สบายป่วยไม่มีเงินเลยเนี่ยเงินทั้งหมดนี่ก็ต้องเอาไปช่วย เป็นค่าพยาบาลพ่อผู้ชายคนนี้เนี่ยนะแกชื่อพงศักดิ์เนะี่แกบอกผมไม่เป็นไรครับผมเชื่อว่าคนอย่างคุณเนี่ยไม่โกงใครอยู่แล้วแล้วแกยังควักเงนินให้พันบาทนะบอกเงินเนี่ยเอาไปช่วยเค่าพยาบาลพ่อคุณก็ อ, อยจากถูกเบีย้ยยังให้เงินไปพัน 1, บาทนะ่วยหมอนน้าดีใจใหญ่เลยวันรุ่งขึ้นมัน ม, มาขอเอาของไปเอาของไปขาย แกก็ให้แล้วมันก็หายเงียบๆมามันมาเงียอยู่สองสาครั้งแกก็ให้นะตอนนั้นที่รู้ว่ามันเบี้ยวแกก็ให้หลังจากที่มันเบี้ยวมาสองครั้งเนี่ยสามสี่ครั้งแล้วเนี่ยวันหนึ่งแกก็มาไม่ได้ไม่ใช่มาของเงินนะไม่ใช่มาขอของนะเอาเงินมาคืนบอกว่าบอกว่าผมเนี่ย ทราบซึ้งน้ำใจที่มากเลยนะไม่มีใครดีกับผมอย่างนี้เลยเอาเงินทั้งหมดมาคืนนะคือคือคือการที่พงสังเนี่ยแกมีน้ำใจและมีมีความอดทนในการที่จะช่วยในการที่จะในการที่จะไว้วางใจเนี่ยในสวนเนี่ยมันมันมันเปลี่ยนใจ ไอคนนี้ได้นะแล้วนายคนนี้ก็ยังโกงคนหนึ่งต่อไปนะแต่กับโครงสั่งไม่โกงนะเพราะว่ามันนับถือน้ําใจว่าโอ้โหพี่ที่ให้ผมทุกอย่างเลยเพื <S <S 1> <S 1> ่อมาบอกคนเราเนี่ยนะมันมีความเห็นแก่ตัวก็จริงนะแต่ลึกๆมันก็มีความดีการที่คุณการที่เวลาคุณโกงใครเนี่ยคุณทําไม่ดีกับใครแล้วคุณแล้วคุณจะรับความดีตอบนะมันก็การที่เราได้รับ การที่เราให้ปฏิบัติกับใครต่อใครคนใดคนหนึ่งด้วยความดีนี่นะความดีของเราเนี่ยมันจะไปกระตุ้นความดีในใจเขาให้เน้นให้มีพลังจนสามารถเอาชนะความพินาศตัวได้อย่างที่ตมาพูดเมื่อเช้าเรื่องเมื่อวานใช่ไหมเรื่องกระเป๋าเงินที่มีเด็กทารกอะ่ะนะคือคนเ น, น, นี่ยนคุณรู้ใช่ไว่าเวลาทําเงินกระเป๋าเงินหายเนี่ยโอกาสที่ได้คืนเนี่ย มันจะมีเพิ่มมากขึ้นหลายเปอร์เซนต์เลยถ้าคุณเอาภาพเด็กทาลูกกันยิ้มเนี่ยสอบไว้ในกระเป๋าเคยรู้หรือเปล่าไม่รู้เพราะทดลองมาหลายครั้งแล้วทดลองมาหลายครั้งน ะ, ะงงนะใช่ไหมไม่ใช่ทุกลายนะแต่ว่าเปอร์เซนต์เนี่ยบางรลยบอกว่าส0มิเปอร์เซนต์โอกาสขึ้นทำไมเวลาคุณเจอกระเป๋าเงินของใครไม่รู้แล้วก็เห็นภาพเด็กยิ้มทาไม คุณเลือกที่จะไม่เก็บเงินนั้นในกระเป๋าคุณแต่คุณไปคือเจ้าของก็เพราะว่าเวลาคุณเห็นเด็กยิ้มแล้วเนี่ยมันเป็นปลูกความดีในใจคุณความเอื้อเฟื้อความมีเมตตาความมีน้ำใจเวลาเราเห็นเด็กยิ้มเราก็ยิ้มใช่ไหมฮะมันมีความสุขลึกๆเนี่ยเขาเคยเอาภาพต่างๆมาใสา่ไว้ในกระเป๋าภาพหัวเมียภาพคนแก่ ภาพวิวชูชัดบอกว่าไอ้ภาพเด็กท้ารถยิ้มเนี่ยอันดับหนึ่งเลยโอกาสที่ได้คือเนี่หลายสิบเปอร์ซ็นเจ็สิบแปดสิบปอร์เซนตก็มีเพราะว่ามันไปก ร, ระตุ้นความฝ่ายดีในใจของคนเราทําให้ไอ้ความมีแกนตัวเนี่ยมันมันหมดพลังลงไปไม่ใช่ทุกคนนะแต่ว่าจํานวนมากทั้งนองทั้งเวลาเราทำความดีกับใครเนี่ยแม้กระทั่งคนที่มันแย่นะคืณทําความดีไปเรื่อยเยอะเนี่ยมันไปก ร, ระตุ้นความฝ่ายดีในใจขเขาทาให้เขาเนี่ยในสุดยอมแพ้ แท้ความดีของคุณเกิดความฝ่ายดียร์อยากทำความดีกับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยอาอตมาคิดว่าอยากจะให้ลองใช้ตรงนี้ดูบ้างกับคนที่เราเียมมีปัญหามัต้องอดทนนะแล้วคุณต้องทําโดยที่ไม่ปาถนาจะได้คืนนะเพราะถ้าคุณทำํำโ่ยคุณปาฏนาได้คืนเนี่ยคุณจะคุณจะไม่มีความอดทนเพียงพอผู้เจ้าบอกว่าเอาชนะความชั่วด้วยความดีเอาชนะความตนหนีด้วยการให้เอาชนะความโกรธ ด, ด้วยความไม่โกร คําภาษีผู้จ่านนี่มันใช้ได้ใช้ได้มากเลยอตมาก็ไม่รับรองร้อยเปร็ น, นะเพราะโมบอลบาคมันต้องใช้ความใช้ความอดทนนานคุณจะมีสายฝานพอหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าคุณลองทําดูเนี่ยคุณจะคุณจะพบว่าเออมันทำมาที่คุณเจ้าสอนนี่มันมันได้ผลจริงจริงขอคำถามสุดท้ายนี่ครับคุณพครับ ใ, ในวันนี้เกิดการเจ็บปวดร่างกายที่เกิดการเจ็บไข้มีอาการปวดมากนะครับ มีวิธีจะอยู่ความปวดณขณะนั้นได้อย่างไรและคำถามสุดท้ายของพี่ครับครูบาอาจารย์มักจะสั่งสอนว่าเรามีคนติดดีครับหรือติดสุขอยากทราบว่าระดับไหนที่เรียกว่าติดและจะวางตัวอย่างไรครับพี่ครับติดนี้ก็คือว่ายกตัอย่างเช่นทําดีแล้วไม่มีใครเห็นก็ทุกข์ทำไมก็ามเป็นความดีของเราติดดีหมคราบว่าเวลาใครไม่ดีเหมือนเหมือนที่เราคิดเราก็ไม่ชอบ แม้ยิ่งกว่านั้นเป็นลูกเราเป็นพ่อเป็นแม่พ่อไม่ดีเหมือนกับที่เราคิดหรือเหมือนกับที่เราทําเราก็ไม่ชอบเช่นเราเราเข้าวัดรักษาศีลแต่เพื่อนเราลูกเรามันไม่เอาเลยนะเกิดความโกรธเกี่ยวกัความไม่พอใจอันนี้เราติดดีหรือว่า เวลาเราทำความดีแล้วไม่คนอื่นดีกว่าเราเราชักเขม่นละอิจฉาเขาละอันนี้ก็เรียกว่าติดดีนะติดดีมนันแสดงการหลายอย่างติดที่ลงถึงว่าทําอะไรที่ไม่ดีในด่ดีแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังปล่อยวางไม่ได้ก็ยังรู้สึกผิดติดค้างใจมันทิ่มแทงใจอันนี้ติดดีเหมือนกันนะยอมรับไม่ได้ว่าตัวเองเนี่ยเคยไม่ดีมาก่อนมันติดในว่ามันติดใ น, ในภาพลักษณ์ที่ดีของตัวทนไม่ได้ที่ตัวเองทนไม่ได้ที่จะยอมรับว่าตัวเองเนี่ยเคยทำไม่ดี อันนี้เรื่องเจ็บดีนะวันนี้เรื่องความเจ็บป่วยที่เรื่องใหญจนะอัตมาก็มันทําได้หลายอย่างนะเวลาเจ็บป่วยเนี่ยแต่อย่างแรกต้องยอมรับก่อนว่าเวลาเราเจ็บป่วยเนี่ยเราไม่ได้ป่วยกายเราป่วยใจด้วยแล้วความเจ็บป่วยทางกายนี่มันพอไหวนะแต่ความเจ็บป่วยทางใจนี่มันยากคนเวลาเจ็บป่วยเนี่ยเขาไม่ได้ป่วยกายเป็นป่วยใจใจมันไปยึดมั่นถึอมั่นอยูกับสิ่งที่ปวด สิ่งที่จะช่วยได้คือว่าคุณต้องหาทางที่จะดึงเอาใจออกจากความเจ็บปวดออกจากสิ่งที่เจ็บปวดเช่นน้อมไปถึงสิ่งที่ดีเวลาคุณนึกถึงบุญกุศลที่คุณได้ทำนึกถึงความดีที่ได้บำเพ็ญเนี่ย้วยความเจ็บปวดทางกายนี่มันคลี่คลายไปเลยคุณป้าคุณยายคุณมีปวดท้องปวดลงไส้เป็นมะเร็งปวดมากยา่าพมาถึง แทนที่จะถามว่าปวดกีนน่คะแนนพยาบาลถามว่ายายในชีวิตที่ทำอะไรที่มีความสุขมากที่สุดยายบอกหลอกพระเหรือยายวันนั้นจําได้ไหมยายใส่เสื้อเสียอะไรตุ้มผ้าเสียอะไรยายแกก็ย้อนระ ล, ลึกไปถึงวันที่ได้ไปหลอกพระคุยกับพยาบาลอย่างยางมีความสุขมากกับเรื่องราวที่ได้ไปหลอกพระวันนั้นคุยจบแกก็ ของอปล่าพูดกับพยาบา ล, ลนีงแกเรียกพยาบาลหมอหมอคื อ, อแปลงนะมันหายปวดไปเลยนะคือคนเราเวลาปวดเนี่ยก็ใจมันไปอยู่ความปวดเยถ้าแต่ถ้าคุณเอาใจออกไปนึกถึงสิ่งอื่นเช่นสิ่งที่ดีงามคุณกุศลเนี่ยคุณก็จะหายปวดได้หรือใช้ทําสมาธิเอาจิตอยู่ที่สมาธิหม อ, อมาลาเคยเล่าว่ามีคนไข้คนหนึ่งีเ่เป็นผู้ช่วยเป็ น, เ ป, นเป็นอาจารย์แพทย์แกปวดมะเร็ง แล้มเร็งแกลามหอกะดูแกปวดจกนกรั่งนอนไม่ได้ต้องนั่งนั่งก็งอกองอกิ ง, ง, งตัวซี่เม็ดเงิอเม็ดใหญ่ๆคุณหมอมาลาก็ไม่รู้ทำไงก็ชวนแก น, นั่งสมาธิหายใจก็พ็ดหายใจออกโทรนึกว่าจะแกทำได้ห้านาทีปรากฏว่าแกไม่เคยทำมาก่อนแกทำต้องห้าสิบนาทีแล้วพอแกทำเนี่ยยิ่งทำตัวแกก็ยิ่งนั่งตรงนั่งตรงพอแกทาเสร็จนะ แก่สุดโปร่งโล่งจริงแกโปร่งแต่ไอช่วง40นาทีสุดท้ายแล้วความปวดมันหายไปเลยผิวพรรณเป็นสีชมพูเม็ดเหงื้อเนี่ยหายไปเลยไอผิวว่าปากเป็นสีชมพูนะผิวพรรณที่เคยซีด เ, เ, ป, เปลียนไปสมาธิมันทําให้แกนเนี่ยหายปวดเลยคุณหมอเอาาเรา ถ, ถามว่าไอคุณเคยนั่งสมาธิทํำไมคุณนั่งไในน่ะจะบอกว่า คงเป็นเพราะผมมีสมาธิกับงานเวลามีสมาธิกับงานเนี่ยเอาสมาธิมาใช้อาการตามมหาใจมันช่วยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการทําใจเนี่ยนึกถึงสิ่งที่ดีงามการมีสมาธิหรือการมีสติมีคนนึงเป็นมะเร็งงานปวดท้องยากเอาไม่อยู่ปวดมากเลยแต่ว่าแกเคยทําเจิตสติมาก่อนผมมีประสบการณ์พอสมควร แกก็บอกว่าอย่งนี้แกบอกแกเอาสติดึงจิตมาไว้ที่หัวไหล่แล้วก็มาดูมาดูท้องที่ปวดบอกกับว่าความปวดยังมีอยู่แต่ใจมันสงบเลยนะปวดก็ยังปวดอยู่นะแต่ใจมันสงบแต่พอไม่มีสติใจมันไปรวมกัการยมันก็ปวดเมือนนั้นแต่พอมีสติกลับมาดึงจิตออกมาดูความปวดมันมีแต่ความปวดฮะปวดกายแต่ไม่มีผู้ปวดใจไม่ปวดด้วย นี่วิธีเรียกว่าเป็นการเจริญสติปัญหาหรือการใช้สติช่วยบรรเทาความปวดมีหลายวิธีนะก็ที่จริงธรรมาเินบทความไวนะ้นะบรรยายเรื่องเรื่องเจ็ดวิธีในการบรรเทาความปวดเรียกวปวดกายใจผ่อนคลายปวดกายใจผ่อนคลายถ้าใคสนใจก็อาจจะ ไปอ่ะติดต่อเดี๋ยวส่งไฟล์มาให้ดูก็ได้มันมันมันมันขึ้นเป็นมันขึ้นอยู่ในเว็บไซต์แล้วนะแต่ว่าเอาไว้ค่อยบอกข้อมูลก็แล้วกันว่จะไปหาได้ที่ไหนขอเท่านี้ลวมั้ง